ถามท่านนิดหนึ่ว่าคำนวณให้จะทำยับไงนอกจากเราปฏิบัติธรรมแล้ววิธีื่นไดก็เนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีดีวิธสวยได้ตอนที่ทาบุญให้ทานเนี่ยก็ทำไปก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เดินจงกลมก่อนนั่งก็ไดทีนี้ตอนนี้เดินลำบากก็นั่งส่วนเดียวส่วนมันไปนั่งไปทาใจสงบไปได้ อ่านหนังสือธรรมะตังเทศไปใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้ได้ทุกอย่างเลยต้องการเท่าไหร่ก็ไดาทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะวิธีวุฒิได้เอาเลยซีดีก็หยิบได้ซีดีตรงนี้ก็มีอีกแผ่นหนึ่งต่อไปไม่มาเกิดก็ไม่มีเจ้ากรรมนายเวร ทำบุญทำทานรักษาศีลบฏิบัติธรรมถ้ า, ากิเลสตายหมดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะไม่เกิดแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็ตามไม่ได้เหมือนหนีนี่ได้เป็นนี่ใครก็ไม่อยากจะจ่ายนี่ก็ไปบวชนะ เห็นไหมองคุลิมายังหนีได้หนีเจ้ากรรมในเวณเนี่ยาคนต้องเก้าร้อยกาสเก้าคนไม่ต้องใช้เวณเลยไปเป็นท้าระหันแล้วก็จบไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่เกิดก็ไม่มีใครมาตามเอาเรื่องเอาราวเห็นถ้าอยากจะหนีเจ้ากรรมนเวนก็ให้ปฏิบัติทำไปข่ากเิเลสตัณหาความอยากความโลภ เราใจจะสบายโยมที่พิมพ์หนังสือใช่ไหม<ช>พวกโยมที่พิมพ์หนังสือใช่มช อ, อา่าอันนี้ลงพิมก็ปิดแล้วไมหมฮะ เ, เนี่ ย, น ย, ยไม่ไทราบเลยอ่าพอดีพอดีเนี่ยเพิ่งหมดแจกเพงหมดพอดีอเอามากับมันเยอะ เห็นว่าหลวงพมพเขายังพิมพ์ให้ได้อยู่พิมพ์ได้ใช่ไหมพิมพ์ได้อยู่จนจนถึงมกราามึงเขาบอกเพราะว่าเขายังมีเครื่องอะไรอยู่แต่ทางบัญชงบัญชีเขาอาจจะปิดไปแล้วมั้งก็ติดต่อติดต่อถามคนดูถ้าเขาพิมพ์ไม่ได้ก็ขอต้นฉบับก็ไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์อื่นก็ได้ตอนนี้สมัยนี้มันง่ายมันเป็นไฟล์ เป็นลงพิมพ์ไหนเขาก็พิมพ์ได้ถ้าเขาเราขอต้นฉบับเข้าไปแต่ถ้าก็พิมพ์ได้ถ้ก็พิมพ์ต่อ <c oughs> ยังไม่ทราบว่าเขาจะหยุดพิมพ์เมื่อไหร่ <c oughs> แต่ได้ข่าวว่าการเดอนมกรามถึงจะ ห, หยุดอันนี้ก็จะพิมพ์พิมพ์เล่มสองสามเลมไว้ล่วหน้าก็ได้ครก็อะไรก็จะปิดแล้วก็อ่ <c oughs> ้อย่างนั้นโยมก็สั่งสิบสองเล่มสิบสองเล่มอะไรได้เลยใช่ไหมอ่า <c oughs> ไม่ต้องให้เขามาส่งฝากเขาไปก่อนนะไม่ถามเขาว่าเขามีที่เก็บไหมมาไว้ในนี่รายเลยมันเป็นตอนแรกโยมก็ถามที่ลงพิมเขาเขาบอกเล่มละเท่าไหร่ครับตอี้คนทำเยอะขึ้นเขาลดให้แล้วไม่มีเงินเลอก็เก็บเก็บไว้ก็เอาไปพิมเล่มต่อไปเลยไมเป็นไรจ้าค่ะโยมกจะวายเล่มต่อไปจะได้ไม่ต้องทัวพันแล้วเพราะว่าเขาเท่าไหร่เท่านั้นเลยโอเคได้เก็ไว้แ มีหนังสือจากนะหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นหนังสือปฏิปทาแล้วมีหนังสือของเราเล่มใหม่เล่มสีขาวนี่เล่มใหม่นนมีซีดีเอาไปเถิดเล่ม น, นี้ก็ดีเล่มใหญ่ปฏิปทาแล้วถ้าศรัทธาอยากจะพิมพ์ก็ได้ อ, อันนี้ อาจารย์มั่นนี่เป็นหนังสือดีมากคนอ่านแล้วเปิดศรัทธาแล้วอันนี้ไปไปที่ไำดูที่หนังสเสดียเขาคงจะบอกนะติดต่อเขาได้ถ้าอยากจะปรีนาโยมาจากอเมริกาในพามากันมากันกี่คนอะมาสุนทรีเอ็องสามสี่มาจากอเมริกาห้าคนคนมาจากที่เดียวกันหรือว่าหลายที่ เป็นคนไทยที่ไปอยู่ไปอยู่มานานแล้วแหละไอเยียอยู่กี่ปีแล้วคะ49ปี49ปีไปตั้งแต่ยังไม่มีร้านอาหารไทยเลยใช่ไหลเราเราก็เราก็ไปช่วงนั้นพอดีเราไปช่วงหกเจ็ดหกเจ็ดถึงเจ็ดสองก็เริ่มใกล้ใกล้ตอนนั้นตอนต้นยังไม่มีร้านอาหารไทย ต่องไปร้านอาหารจีนไงกินก๋เตี๋ยวร้านหน้าต้องไปร้านอาหารจีนแล้วบอกเขาแล้วก็บอกให้เขาท ำ, ำพริกน้ำส้มให้เขาทําไม่เป็ น, นคนไทยเมไหรก็สอนใช่ไหมคนไทยเริ่มเริ่มไปเปิดร้านช่วงหกเก้ามั้งหกเก้าเจ็ดศูนนี่เริ่มมีร้านอาหารเพิ่มขึ้นอืม เจ็ดสองกลับมาประดีล้วไปหกเจ็ดถึงเจ็ดสองไปเรียนที่ Fresno State เขไปส่งขึ้นไปหน่อยอ่าขึ้นไปอีกหน่อยประมาณสองร้อยไมล์จาก LA มีพวกมงเยอะเดี๋ยวนี้เขาปลูกปลูกผักปลูกอะไรพริกอยู่แถวนั้นน่ะร้านอาหารไทยก็อาศัยพริกเพลกที่เขาปลูกอยู่แถวนั้นเพราะที่นั่นอากาศมันร้อนช่วงฤดูร้อนนี่ร้อนกว่าเมืองไทยอีก นอน ร, ร้อยกว่าอขึ้นแล้วกลับไปเยี่ยมบ้านเหรอหรือจะกลับม า, มาอยู่บ้านมาเที่ยวคิดจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ไหมหรือไม่เรามาไม่ไม่มีใครส่าสมัครเพื่อนๆก็ไปไปหมดแล้วเอไม่เป็นไรได้ยินเพียงแต่ไม่รู้ไม่เห็นหน้า คนไทยบางคนพอพอแก่แล้วก็กลับมาอยู่บ้านมีอะไรอยากจะถามไหม<ต>มาจากเออมาจากต่างประเทศ อ, าอาถามไห ม, ไมอยากจะรู้อะไรถามได้แตนนถามเรื่องการปฏิบัติอ่าเลยเวลาโยมดูจิตทีไรมนันวุ่น<ๆ>วายอย่าไปดูมันต้องหยุดมันมันวุ่นวายเพราะเราไม่หยุดปะเนี่ย ที่หยุดมันก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะหยุดวุ่นวายถ้าเราดูมันมันไม่ไหยุดวุ่นวายมอย่าไปดูมันห <c oughs> ัดบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรื อ, อ, อสวดมนต์ไปถ้าพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไป <c oughs> ความวุ่นวายมันก็จะสงบลงเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะไปคิดได้ถ้าเราเอาความคิดมาคิดอยู่กับพุทโธคิดอยู่กับบทสวดมนต์ ไอ้ความคิดที่จะไปคิดเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายมันก็คิดไม่ได้พอไม่คิดมันก็ไม่วุ่นวายาาหว่หวงนี่ก็ต้องใช้ปัญญาห่วงทำไมห่วงแล้วไปทำอะไรได้หเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปห่วงเพมันเสียเวลาถ้าถ้าทำได้ก็ทำไปของบางอย่างเราทำได้เราก็ทำไปของบางอย่างเราทำไม่ได้ก็ต้องปลงปล่อยไปตามบุญตามกรรม แต่มันเหมือนฝนตกเนี่ยเราไปห่วงมันได้ไหมห่วงว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเนี่ยก็ห่วงได้าบ้าห่วงก็ทำอะไรไม่ได้ฝนมันจะตกมันก็ตกของต่างๆมันก็เหมือนกับฝนคนหรืออะไรมันเราควบคุมไม่ได้เสมอไปบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ถ้าไหนควบคุมไม่ได้ก็คิดว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าออากาศไปปล่อยมันไป อันไหนเราควบคุมได้เราก็ควบคุมไปแล้วเราก็จะไม่กังวลไม่ห่วงไม่วุ่นวายใจพะเจ้าบอกทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติอนัตตานี้แปลว่าธรรมชาติไม่ได้เป็นของใครเป็นของธรรมชาติเมื่อเป็นของธรรมชาติเราจะไปสั่งมันไม่ได้เสมอไปบางเวลาเราก็สั่งได้บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้บางเวลามันก็สงบนะคะกาคุ่นวา แต่ใจเราทําให้มันสงบได้เวลามันวุ่นวายเราก็พุโทโธสายเข้าไปเลยบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธห้านาทีมันก็สงบแล้วลองท่องพุโทโธพุโทโธไปสักห้านาทีแล้วเรื่องที่เรากําลังวุ่นวายด้วยมันจะหายไปเราจะลืมไปแล้วมันก็จะหยุดแต่ถ้าเราหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่กลับไปคิดเมื่อไหร่แล้วก็วุ่นวายขึ้นมาใหม่มันเหมือนรถถ้าเราเหยียบเบรกมันก็หยุดพอเราปล่อยเบรกมันก็ไหลไป ใจเราเหมือนรถที่ไหลลงเขาัดครบก็ ต, ต้องทํำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะคุมมันได้พอมันนิ่งแล้วก็หยุดพูดโทพอมันไม่นิ่งแล้วก็พูดโทใหม่แล้วต่อไปมันก็จะนิ่งไปเรื่อยๆไม่มายากหน่อยเพราะไม่มเหมือนรถวิง่งวิ่งเร็วมากแล้วเราเหยียบเบรกทีสองทีมันยังไม่หยุดถ้าเราเริ่มต้นพูดโทใหม่ๆนี่มันจะไม่รู้สึกว่ามัน สงบเลยก็อย่าไปอย่าไปกั ง, งวลพยายามพูดโธรไปเรื่อยๆบอกว่าเรายังเหยียบเบรกไม่ไม่นานพอเหยียบไปเรื่อยๆพูดโธรไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปความคิดมันก็จะเบาลงเบาลงเองความวุ่นวายใจมันก็จะน้อยลงบุญมันยังไม่ถึงนะฮ ะ, ะไม่ได้บุญอะพูดโธนี่แหละพูดโทนี่คือบุญพูดโทนคอสติเวลาเราพูโทโธพุดโทนี่เรากําลังสร้างสติขึ้นมาสตินี่แหละเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ อุตตะเจ้าไม่มีบุญอันใดทําอันใดยิ่งใหญ่กว่าสติสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดในป่าสามารถครอบรอยเท้าสัตว์ของสัตว์ทุกชนิดได้หมดสติก็เป็นบุญและเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญทั้งหมดใหญ่กว่าการทําบุญทําทานพิมพ์หนังสือใหญ่กว่าการรักษาศีลถ้าเราได้สติแล้วเราสามารถที่จะควบคุมจิต ให้สงบให้ไปนิพพานได้เลยอย่าอยา่าอย่าไปคิดว่าพุโทโธพุโทโธนี่เป็นของอเล่นเล่นห้วอของไม่มีคุณค่านะลองพุโทโธไปเถอะใหม่ๆมันอาจจะไม่เห็นผลมันแค่มีอะไรว่าพุโทโธคําเดียวเนะีย่ยแต่ถ้าพุโทโธไปได้เรื่อยๆ เ, ยเยนี่ยมันจะหยุดความคิดได้ดบางทีมก็เกิดสงสารนะคะนั่นแหละก็พุโทโธไปเถอถ้าเกิด อะไรขึ้นมาก็พุโทโธไปเดี๋ยวก็หยุดเองก็โทรสะก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอลืมคิดถึงเรื่องคนที่ทําให้เราโกรธมันก็หายไปเองพุโทโธเหมือนเบรกรถยนต์อ่ะรถยนต์นี่มันจะวิ่งไปไหนไม่ได้ถ้าเราเหยียบเบรกใช่ไหมอัในใดจิตของเราจะคิดวุ่นวายไม่ได้ถ้าเราเหยียบเบรกถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธไปเราต้องหัดพุทโธไว้ก่อน ถ้าเราไม่หัดมันก็เหมือนเราไม่มันก็รถที่ไม่เตรียมติดเบรกไว้ก่อนพอถึงเวลาจะเบรกก็ไม่มีพอเวลาจะถึงเวลาโกรธจริงๆบางทีมันพุดโทไม่ออกมันอยากจะพูดโธรแต่มันพูดโธไม่ออกเพราะมันไม่ติดอยู่กับเรื่องที่ทําให้โกรธงั้นเราต้องมาหัดพุดโทโธตอนที่ยังไม่โกรธ<ม>พระทศย่าบอกให้ฝึกพุดโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาจะลุกเข้าไปห้องน้ําไปอาบน้ําไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พูดโธพูดโธไป อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ดึงให้มาคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปพอเราดึงพุโทโธมาได้ต่อไปเวลาเราจะใช้พุโทโธมันก็จะง่ายถ้าเราไม่ใช้พุโทโธมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดึงมันมาไม่ได้ยังต้องพยายามหัดสร้างพุโทโธขึ้นมาฝึกเหมือนกับออกกําลังกายเยถ้าเราไม่คอยหัดวิง่งเราจะวิ่งไม่ออกใช่ไหมแต่ถ้าเราเริ่มหัดวิง่งวันละร้อยเมตรสองรอยเมตรสามร้อยเมตร ต่อไปล้วก็วิ่งได้ี่ยการพุโทโธพุโทโธก็เหมือนกันหัดออกกําลังใจอ่ะใจเราตอนนี้ไม่มีกําลังสู้กับความคิดของเราเองความคิดมันลากเราไปเนี่ยมันลากเรามาจากอเมริกาเชื่อไหมเนี่ยความคิดของเราเนี่ย<笑><笑><笑>พอคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยก็อยากจะมานะแล้วมึงก็สั่งให้เรามาเนี่ยเี่ยที่มานี่มาเพราะความคิดรู้เป่าถ้าพุโทโธอยู่ในอเมริการับรองไม่ได้มานี่หรอก เนี่ย <laughs> เราพุโทโธอยู่นี่เลยไม่ได้ไปอเมริกาเข <laughs> ไม่ได้ไปไหนกับเขาเนี่ยติดอยู่ตรงเนี้ยติดอยู่ตรงนี้ตั้งสามสิบสามสิบปีแล้วเนี่ยยมาขึ้นอยู่บนเขาเนี่นะปีสามศูนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยมันติดพุดโทโธมันเด้งไว้พุโทโธไม่ให้ไปไหนเออแล้วอยู่กับที่มันสบายกว่าเยอะ เใชนไหมมาหนี้มันเหนื่ยไม่เนี่ยกไปเลยแล้วก็ต้องกลับไปใช่มไหมมันก็กลับไปที่ศูนเริ่มต้นที่ศูนแล้วก็กลับไปที่ศูนย์ก็เหมือนกับไม่ได้มาเดี๋ยวพะกลับไปถึงที่นั่นก็เหมือนกับไม่ได้มาที่นี่ใช่ไหมนี่เรามันอยู่กับที่ไม่ได้เพราะใจมันคิดคิดแล้วมันก็อยากคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปเจอเขาอ่านั่นแหละถ้าไม่ได้ทำมันก็หงุดหงิดลําคาญใจอยู่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขะ ถ้ามีพุโทโธรับประกันได้อยู่เฉยๆได้อยู่กับที่ได้เพราะมันจะไม่ฟุง้งมันจะไม่วุ่นวายมันจะไม่คิดนะแต่เราต้องหัดพุดโทโธนะถ้าไม่หัดนี้มันม่นมมันไม่มีวันไม่มีวันพุโทโธได้หรอกญาติโยมที่มาฟังธรรมทุกคนเนี่ยเราถามได้เลยว่าพุโทโธได้สักกี่นาทีวันนี้ไม่ได้หรอกพอออกไปก็ลืมพุโทโธนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อ นะลองทำดูลองเอามีให้มีพุทเถวโถ่โกากับใจเรา <Okay. S 1> แล้วใจเราจะจะอยู่ในในโอวาทของเราสั่งให้มันหยุดได้เวลาโกรธก็สั่งให้มันหยุดได้เวลาโลภก็สั่งให้มันหยุดได้แต่ถ้าไม่มีพุทโทนี่สั่งไม่ได้ใช่ไหมสั่งให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดมันจะคิดอยู่นั่นสั่งให้มันหยุดโกรธมันก็จะโกรธ อ, อยู่อย่างนั้นเพราะสั่งมันไม่ได้ ต้องใช้พุทธโธเท่านั้นอนะ่ะมันถึงจะหยุดได้นะคือสตนะิสติก็มีหลายวิธีพุทธโธก็วิธีหนึ่งถ้าท่องพุทธโธได้ก็ท่องไปสวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ไปนะเหมือนกันสวดมนต์ด้วยพุทธโธเหมือนกันแทนกันได้ดังนั้นะพยายามหัดหัดจเจริญสตนะิตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้มีอะไรกำกับใจอย่านะปล่อยให้ใจคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดนะ แ้าเรื่องจะเป็นต้องคิดก็คิดได้เช่นวันนี้วันอะไรต้องไปทำอะไรนัดกับใครไว้ที่ไหนพอรู้แล้วก็หยุดคิดไปเตรียมตัวเวลาเตรียมตัวไปทำงานก็พุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราจะควบคุมความคิดได้เวลาจะโกรธใครก็หยุดมันได้พุทโธพุทโธหยุดมันเวลาโลภก็หยุดมันได้ ทำมันยิ่งใหญ่ทำที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้ายกให้สติเลยสตินี้เป็นเหมือนหัวหน้าของธรรมถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างอื่นเกิดขึ้นไม่ได้สมาธิเกิดไม่ได้ความสงบเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์เกิดไม่ได้ต้องมีสติอย่างศีลห้าที่ไม่ให้กินเหล้าเพราะอะไรเพราะกินเหล้าเราไม่มีสติใช่อหม พอเมาแล้วมันก็ไปทำผิดศีลข้ออื่นได้แต่ถ้ามีสติมันก็จะไม่ทำบาปเรารู้เนี่ยว่าเรากำลังจะทำบาปแล้วก็หยุดได้แต่พอเราเมานี่เราไม่รู้แล้วเราก็พูดอจาอะไรไม่ดีก็ไม่รู้เนี่ยถามคนเมารือเวลาหายเมาแล้วพี่รู้เปล่าพี่ทำอะไรไปบ้างพูดแล้วไม่รู้หรอกตอนนั้นไม่มีสติเหมือนคนบ้าคนเสียสติเนี่ยคนเสียสติก็คือคนบ้า ดังนสตินี่สำคัญมากจะทำอะไรนี่ต้องมีสติจะมาที่นี่ได้ก็ต้องมีสติถึงจะมาได้ถ้ามาเล่าตอนนี้ก็นอนหลับอยู่ที่บ้านดังนั้นพยายามรักษาสติให้ดีตอนนี้เรามีสติแต่มันมีน้อยมันพอที่จะให้เราทำอะไรได้แต่จะให้เราสู้กับกิเลสสู้กับมันไม่ได้กิเลสมันเป็นมันเป็นเจ้านายเราอยู่ตอนนี้มันเป็นตัวสั่งเรา ถ้าเราอยากจะโค่นกิเลสเราต้องสร้างสติให้มากขึ้นไปกว่านี้ให้มีกำลังมากขึ้นไปกว่านี้ตอนนี้มีสติพอให้เราอยู่เป็นปกติแบบมนุษย์ทั่วไปได้พวกที่ถ้าไม่มีสติแล้วไปทาบาปนี่ก็สแสดงว่าพวกนี้ลดชั้นจากมนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานลสะสติน้อยละพวกที่ไปทำบาปนี่สแสดงว่าสติน้อยกับพวกที่ไม่ทาบาป ยังต้องฝึกสติให้มากๆแล้วเราจะสามารถปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นต่อไปจะรักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาพอรักษาศีลห้าได้อยากจะรักษาศีลแปดก็รักษาได้อยากไปอยู่คนเดียวนั่งสมาธิก็ไปทําได้แต่นันนี้ไปไม่ได้ไม่มีกําลังไม่ถึงไปไม่ได้ทําไม่ไหว ให้หัวข้าวเย็นก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมให้ไปถึงศีลแปดเนี่ก็ไม่ไหวแล้วไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ฟังเพลงไม่ให้ไปเที่ยวเนี่ยเรายังไม่มีกําลังสู้กิเลสการกระทำต่างๆของเราทุกวันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นรู้เปล่าไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นไปหาความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเป็นการกระทําของกิเลสพาไปถ้าให้ธรรมะพาไป เราต้องมีสติถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวมันพาเรามาอยู่วัดได้พาเรามาบวชได้พาเราไปนิพพานได้เพราะฉั้นสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งก็ขอให้พยายามฝึกไปเรื่อยๆมีคำถามอื่นมหมยกขึ้นมาเรื่องอาการที่ป่วยตอนนี้ที่มีเนื้อหน่ในกระดูกสันหลังอะ หมอบอกให้ผ่าตัดออก<ม>แต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นอมตะสูงมากห้าสิบห้าสิบถ้าผ่าตัดนะครับอย่าไปทำเลยตอนนี้ดีอยู่แล้วไปเสี่ยงกับไปเป็ปนอมตะทำไม<อ>ก็อยู่กับมันไป อ, อย่คิดถูกแล้วถูกแล้วอาจทำใจสงบแล้วมันจะมันจะทนอยู่กับความเจ็บของของของร่างกายได้นะถ้าเราไม่มี สติไม่มีความสงบมันก็จะทรมานแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิปฏิบัติทำไปมันจะไม่ทรมานเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอไม่มีอะไรท่านใช้ธรรมโอสถนี่แหละใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาปัญญาก็สอนใจว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นดินน้ำลมไฟเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไม่ได้ ถ้ามันจะเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นเราถ้าเราทำใจได้มันก็เหมือนกับเราทำใจกับเวลาฝนตกอ่ะเวลาฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามฝนไม่ได้เราก็อยู่กับฝนตกได้อันนี้ก็เหมือนฝนตกร่างกายมีความเจ็บก็รู้กับมันไปถ้าใช้ร่างยังใช้ร่างกายได้ก็ใช้มันไปถ้าใช้ไม่ได้ก็อยู่เฉยๆนอนกินนอนสบายเป็นคนป่วยนี่ดีไม่ต้องทำงานหรือ ไม่มีใครเข้ามาว่าเลยมีคนหาอาหารมาให้กินมีคนมาดูแลเราสิอีกงั้นดีแล้วอย่าไปเสียงเลยเ อ, อย่าไปก็ยังหนีเสือปะจระเข้เลยเอพอๆกันดีไปดีหนักกว่าเดิมตอนนี้ยังเดินเหินได้ยังทำอะไรได้อาจจะเจ็บบ้างก็เจ็บไปเร า, เาต้องเตรียมตัวร่างกายมันอยู่ไปไม่ได้ตลอดลทุกคนต้องถึงเวลาก็ต้องไป แต่มันไม่ใช่เป็นตัวเราขอให้เรารู้ไว้มันเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็พังพังแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ร่างกายนี้พังแล้วก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่เดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่ไปอยู่กับร่างกายเก่าๆนี้ทำไมมีร่างกายใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆรุ่นเก่าเสียก็ไม่ต้อไปซ่อมอ่ะเดี๋ยวนี้โยนทิ้งเลยนะซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าเอ นี่แหละเวลาเราตายก็เหมือนกับเวลาเรานอนหลับไปพอเราตื่นขึ้นมาก็เวลาที่เราเกิดเนี่ยเราก็เหมือนเกิดแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ตอ น, นั้นเองระหว่างเวลาระหว่างรอร่างกายใหม่ก็เหมือนเราเราก็ น, นอนหลับฝันไปถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าบุญพาเราฝันไปถ้าเราฝันร้ายก็บาป พ, พาเราฝันไปก็มีเท่า น, นี้ชีวิตของเราเวลาที่เราตายแล้วไปเกิดใหม่ ระหว่างเวลาที่เรารอการที่จะไปเกิดใหม่ก็บุญกับบาบนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะมาพาเราไปพาให้เราเหมือนกับเรานอนหลับฝันฝันร้ายก็เหมือนกับบาปพาเราไปฝันดีก็เหมือนกับบุญพาเราไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ดีกว่าเก่าเนี่ยได้ร่างกายใหม่ไม่ดีเด็กเนี่ยออกมาแข็งแรงทุกอย่างไม่มีอะไร ยันไม่ต้องไปกลัวความตายต้องดีใจว่าดีแล้วร่างกายมันหมดสภาพแล้วถึงเวลาต้องเข้าโรงพยาบาลไปเปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนร่างกายทำไหมเวลาเราอยากจะเปลี่ยนปอดเปลี่นหัวใจเราก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็เขาจะให้ยานอนให้ยานอนหลับใช่ไหมแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้หัวใจใหม่ได้ปอดใหม่แต่อันนี้ดีกว่าได้ทั้งร่างกายใหม่หมดเลยของเก่าเกาทิ้งไปเลยแล้วเขาก็ให้ร่างกายเราใหม่มา นี่คือความตายาตอนเวลาตายก็คือการไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่แล้วระหว่างที่รอนี่ถ้าอยากจะฝันดีก็พยายามทำบุญเยอะๆอย่าไปทำบาปแล้วเวลาที่เรารอเปลี่ยนร่างกายอันใหม่นี่เราจะนอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะได้ร่างกายอันใหม่ได้พ่อแม่คนใหม่อันนี้แค่นี้นี่เราก็ เนี่ยร่างกายเราอันนี้อันอันที่เรามีอยู่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เกิดมาแล้วเกิดมาเพราะเราต้องทิ้งร่างกายเก่าไปร่างกายเก่ามันหมดสภาพแล้วมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องทิ้งมันไปแล้วเราก็มารอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอก็เหมือนกับเรากําลังฝันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมพระเวชตอนที่ท่านเป็นพระเวชสันดอนท่านก็ทําบุญอย่างมากมาย พอเวลาตายไปท่านก็ฝันไปอยู่บนสวรรค์เป็นอยู่บนสวรรค์ก็ฝันดีเพราะบุญที่ท่านทำมากพาให้ท่านไปอยู่ในสวรรค์ตอา น, นั้นท่านไม่มีร่างกายก็เหมือนท่านฝันฝันว่าได้เที่ยวได้ดูได้กินได้ดื่มได้อะไรรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อะไรต่างๆแล้วพอได้ร่างกายเจ้าชายศีรษะออกมาก็มาเป็นเจ้าชายในอ น, นิสง์ของบุญ เวลาไปเปลี่ยนร่างกายจะได้ร่างกายที่ดีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่เพราะบุญที่เราทำนี้เป็นเหมือนเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารพอเรากลับมาเกิดก็มาเบิกได้กลับมาเกิดเป็นลูกของคนรวยไม่ต้องไปดิ้นนนไปหาเงินหาทองถ้าไม่ได้ทำบุญเลยก็กลับมาเกิดกับคนยากจนอกลัวยากจนเพราะไม่ได้ทำบุญไม่มีเงินเก็บสารองไว้ นี่คือเรื่องของทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาทำบุญกันญาติโยมพิมพ์หนังสือทะนี่ก็เป็นการทำบุญเอาเงินไปใส่ธนาคารแล้วเดี๋ยวเวลาไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ก็จะได้มีเงินทองเรามีคนเลี้ยงดูมีพ่อแม่หาเงินหาทองให้ไม่ต้องหาเองให้เหน็ดเหนื่อยงัอย่าทำบาปเพราะทำบาปแล้วมันจะฝันร้าย มันจะฝันเป็นเปรตมีแต่ความหิวโหยฝันเป็นอสุรกายมีแต่ความหวาดกลัวฝันนรกมีแต่ความรุ่มร้อนเผาผลาญหัวใจด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเการอารมณ์เหล่านี้ไม่ดีอย่าไปอย่าไปสร้างมันอย่าไปกลัวอย่าไปโกรธไปเกลียดอาฆาตพยาบาทใครทำอะไรให้เราไม่ดีไม่ถูกใจแล้วก็สาธุเข้าไปคิดว่าใช้นี่เก่าไป เนื่องว่าบินกับฟันอยู่ด้วยกันบางทีมันก็อาจจะขบกันบ้างอย่าไปจองเวรจองกรรมกันต้องจะทําให้ใจเราร้อนใจเราทรมานถ้าเราให้อาภาัยแล้วเราจะเย็นจะสบายมองเขาว่าเป็นเหมือนลูกเราเหมือนคนที่เรารักเวลาคนที่เขาทาอะไรคนที่เรารักทำอะไรกับเราเราก็จะไม่ค่อยโกรธเขา <Yeah. S 1> อย่างเช่นลูกเราเนี่ยมันมันขี่มันจะขี่จะเยี่ยวตรงไหนเราก็ไม่ไปโกรธมันใช่ เพราะมันเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนเด็กไร้ไร้เดียงสามันทําอะไรแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวคนที่เขาทําให้เราโกรธก็อาจจะเป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาเขาก็ทําไปตามภาษีภาษาของเขาเราก็อยากไปถือสาเขาใจเราก็จะไม่รุ่มร้อนใจเราก็จะเย็นจะสบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําบาปถ้าเราเกิดโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปทุบตีเขาไปทำร้ายเขา แลมันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกันเพรารฉนั้นพยายามอย่าทำบาปพยายามแผ่เมตต า, เ, าเวลาแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ตอนที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องพักเราสวมดมนต์แล้วแผ่เมตตาอันนั้นไม่ได้แผ่เวลาแผ่ต้องแผ่ตอนนี้ตอนที่นั่งอยู่รวมกันตรง น, นีเ้เวลาใครทำอะไรไม่ดีเราก็แผ่ไปเลยเไม่เป็นไรแผ่เมตตาหรือเวลามีขนมอะไรก็อามาแจกกัน แล้วแผ่เมตตาเวลานั่งอยู่คนเดียวแล้วสวดสัเพสัตตนี้ไม่ได้แผ่เป็นการเรียนเป็นการสอนใจวิธีแผ่แเวลาจะแผ่ต้องมีคนรับใช่ไหมสัเพสัตตาต้องมีสัต์มีคนมารับหรือหรอสัตเดรฉาญเช่นเจอสุนัขจรจัดก็มีข้าวก็ให้มันกินอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าแผ่เมตตา ไม่ใช่จะแผ่เมตตาให้หมาตัวนั้นก็รีบกลับไปนั่งในห้องพักแล้วสวดสัเพสับตาตอนนั้นไม่ได้แผ่เป็นสวดคนไม่เข้าใจกัน<ม>คนคิดว่าแผ่เมตตา<ม>ต้องนั่งสมาธิก่อนแล้วก็แผ่ไม่ใช่อันนั้นเป็นการสอนใจเตือนใจวิธีแผ่ว่าให้แผ่อย่างไรนั่นก็แผ่แล้วละ่ะ แลาใส่บาตรให้พระก็แผ่เมตตาให้พระแล้วแหละเอากวดน้ำนึ่งนึน่งแล้วเอาอุทิศบุญคนละเรื่องกันก็ก็แผ่เมตตาเหมือนกันแผ่ให้คนตายไงยคนตายไปเราคิดถึงเขาให้สงสารเขาแล้วก็ให้ข้าวเขากินไม่ได้แต่เขาก็รอเ ข, เขากินบุญที่เราทําได้เราก็อุทิศบุญไปให้เขา <c oughs> อันนั้นก็เป็นการแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ล่องลับไปแล้วด้วยการอุทิศบุญะ แต่ถ้าคนที่ยังอยู่แผลให้เขาไม่ได้พาแต่พาเข้าไปเลี้ยงได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปกิน้านอาหารไดเป็นเจ้ามือเลยขอเป็นเจ้ามือเนี้ยอ๋ออยูนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้ยเลี้ยงใครก็แผลได้ได้เออถ้าเราให้เงินใครช่วยเหลือใครนี่ก็แผลไม่ตาให้เขาละให้ให้ความสุขกับเขาไงเขาได้รับทันทีเลย ไม่ใช่ทำไมรอรอจากกันแล้วเราค่อยมาแผ่กันเดี๋ยวไปเอให้ายกลับไปเอาออเอก่อนแล้วจะเรื่องสวนแทน่ที่ยไม่เข้าใจเลยเ<อ>ไม่มีคนเข้าใจหรอกทุกคนที่แผ่เวลาสวดมนต์กันแล้วแล้วแผ่กันไม่มีตอนนั้นไม่ใช่เวลาแผ่นั้นเวลาเรียนทำการบ้าน<อ> เวลาทําข้อสอบต้องมาเจอกันเราบางทีเรก็แผ่เมตตาให้บอกเอาเวลาไม่ให้จองเวรกันใช่ไหมแล้วแล้วพอแผ่มตา้อพอเจอกันพอพอเจอกันยากเขี้ยวใสกันนถ้าเวลาหุ่นตุก็เจอกันก็ต้องไม่ยากเขี้ยวใครกขาพูดไปดีก็สาธุไปเออนั่นแหละแผ่เมตตาหลังโกรธใครก็แผ่เมตตานั่นแหละออย่าไปโกรธเ้า พูดโธพุดโทไปก็ได้เฉยๆไปก็เท่กเทากับแผ่เมตตาละไม่ไปทำร้ายเขาเอเราไม่ต้องการที่ให้เขาเจ็บเนื้เาเจ็บตัวเอออนิคาโหตุจงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดก็ทุกพ้นจากการทุบตีของเราอยาไปทุบไปตีเขาเวลา เ, ลเราทาอะไรเราหย่บไปทำ <c oughs> <c oughs> ทร้ายเขาอ่าดังนั้นต้องแผ่บางที เอจะยกหม่ไปเขาเรืองนีเอาสับโปสับกาเอออันนี้คาห้ตุเอียวเออไปทไมได้นะเนี่ยส่วนญาญายมยมาถามเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยคิดว่าแผ่ตอนที่อยู่คนเดียวเ้าไปแผ่ให้ใครละ่ะไม่มีใครรับอ่ะต้องแผ่ตอนที่มีคนรับสิเออเวลาเจอใครที่ไม่ชอบที่หน้ากันจะแสดงว่าเราเจเ จ, เจ้ากรรมในเวรแล้วหรือเปล่าใคร เคยเป็นคู่อริกันมาเจอกันแล้วมันจะไม่ชอบชี้หน้ากันตอนนั้นก็อย่าไปโกรธเขาพยายามควบคุมใจแล้วยิ้มให้เขา<อ>ทักทายเขาอ่าอไม่ต้องโหรสิยิ้มทักทายเขาไปาออนั่นแหละนี่นแหละแผ่ไม่ต า, จากกนจริงมันจึงยากไงถ้าแผ่ปลอมันง่ายถ้ายิ่มอยู่คนเดียวแผ่เนี่ยไอ้สัสประสาทตั้งหล<ค>ายชอบ <laughs> นั่นแหละท่านครับท่านยา่าถามอีกอ้าเลยเรื่องเจ้าที่กับที่บ้านผีเดือนไม่มีหรอกเราเป็นความเชื่อของเราเองเออเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะว่าดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วที่เขายังไม่ไปเกิดเขาก็าต้องไปมีที่อยู่ไปอยู่ตามต้นไม้บ้างไปอยู่ตามเรือนร้างตามบ้านคนอะไรท่านนั่นเองแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นความเชื่อ ดวงวินญาณทุกดวงเขาไม่ได้มาอยู่ตามตามต้นไม้หรอกเขาอยู่ในโลกทิพย์เขาเป็นเทพเป็นเทวดาชั้นต่างๆลูกเทพเขาเรียกลูกเทพว่าคือว่าอยู่แถวต้นไม้อะไรเงรี้ยแต่คนยิ่งไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้หรอกอยู่ในโลกทิพย์ใจเราตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเชื่อไหมใจของเราตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ใจเราส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้มารับรู้ ตาลูกเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาเขาจะบุกเรื่กายแต่ตัวใจของเราทุกคนเนี้มันอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่โลกทิพย์แล้วก็ส่งกระแสะมาเกาะที่ร่างกายเราพอเวลาไม่มีร่างกายใจก็อยู่ในโลกทิพย์ไปจนกายจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะส่งกระแสออกมาเกาะใหม่ฉะนั mm ้ hmm. ในใจทุกดวงอยู่ในโลกทิพย์เขามีที่อยู่ของเขาแล้วเขามีกรรมเป็นที่อยู่ของเขาอมีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิด เป็นมีกรรมเป็นผู้ให้เผ่าพันธุ์ทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขามีที่ไปของเขาแล้วแต่เราเชื่อกันเพราะว่าบางทีเห็นอะไรได้ยินอะไรที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาเราก็คิดว่าเป็นผีสิงเทวดาขึ้นมาก้างจริงมันอาจจะเป็นตุ๊กแกจิงจกที่ไหนก็ได้บางทีบนเพดาเนี่ยหนูมันวิ่งไปวิ่งมาก็เรีย ก, กคิดว่าเทวดามาละผีมาละ ไม่มีหรอกเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยคนที่คนที่กลัวผีนี่พอพอมืดหน่อยเห็นใบไม้ไหวก็คิดว่าผีมาแล้วถ้อย่างนั้นเรื่องที่พูดกันว่าถ้าตัดต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะให้ผลร้ายนี่มันก็ทํานองเดียวกันนะทํานองเดียวกันอ่ะถ้าเราถ้าเรากังวลก็ทำเพื่อความสบายใจเราก็จุดธูปเทียนขออนุญาตก็หน่อยเ<ช>ออาแต่เขาไม่มาอยู่ต้นไม้มีอะไรเขาอยู่อ่ะใช่ไหมออา จิตมันไม่ได้อยู่ในต้นไม้หรอกเจิตมันเกาะมันส่งเข้ามารับความรู้จากต้นไม้ไม่ได้มันจะรับรู้ได้ต้องเป็นร่างกายของมนุษย์และเดรัจฉานนอกจานั้นแล้วมันไม่มาหรอกมันก็อยู่ในโลกทิพย์ของมันไปแล้วโลกนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์สวรรค์ก็อยู่ในโลกทิพย์แล้วโลกก็คือโลกทิพย์ที่มีแต่ความร้อนมีแต่ไฟเหมือนหน้าร้อนอย่างเงี้ยส่วนสวรรค์ก็เหมือนโลกที่มีห้องเป่ า, ากาศอย่างเงี้ย เย็นสบายมีความสุขตลอดเวลาลวใช่ในโลกในอกสวรรค์นในใจไงจิตเราก็ไม่ได้จิตก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ในร่างกายนี้นะจิตได้อยู่ในโลกทิพย์จิตกระจายนี้อยู่ในโลกทิพย์มีความคิดบางทีแล้วก็ผุดขึ้นมาความคิดนี้ก็มาจากจิตที่มามาส่งออกมาสั่งให้ร่างกายทําอะไรทีความคิดนี้เป็นตัวสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไงก่อนจะลุกขึ้นได้ก็ต้องคิดก่อนว่าจะลุกก่อนจะมาที่กรุงเทพได้ก็ต้องคิดก่อนแล้วะ จะมากรุงเทพเรื่องเตรียมตัวซื้อตั๋วอะไรต่างๆความคิดทั้งนั้นความคิดมาจากจิตไม่ใช่มาจากสมองไม่ใช่มาจากร่างกายอืใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้เราให้ร่างกายทําอะไรต่างๆที่เห็นเราเราเห็นหน้าเขาอย่างนี้มันเกิดขึ้ขึข้น <ใจ S 2> มาเพราะมาจากที่ไหนมาจากที่ใจเราเนี่ยใจเรามีข้อมูลฝังไว้อยู่เห็นใครเลยมันจะจําได้ จำได้ว่าคนนี้ดีแล้วไม่ดีถูกใจแล้วไม่ถูกใจคนเราบางทีไม่เคยเจอกันเลยพอเจอกันปั๊บจะรู้เลยว่าชอบหรือไม่ชอบนะเพราะเรานะเราเราู้มันมีข้อมูลอยู่ในใจเราฟังอยู่อยู่ในความจําของเรานะคนบางคนเราเจอปั๊บเราจะชอบทันทีเลยคนบางคนเราเจอแล้วจะไม่ชอบคนบางคนเจอแล้วเฉยเฉยแสดงว่าเขาไม่มีอะไรกับเราถ้าเขาเฉยเฉยแสดงว่าอดีตไม่มีอะไรกัน ถ้าชอบแสดงว่าเคยเป็นคู่บุญกันเคยร่วมบุญกันถ้าเจอแล้วไม่ชอบแสดงว่าเป็นคู่กัดกันเราเจอคู่กัดนี่เนื่องพยายามแผ่เมตตาเยอะๆนะดังไม่ต้องกลัวเรื่องร่างกายนะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราไปซื้อมาจากร้านเราใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพังพังแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ ถ้าอยากจะซื้อเครื่องดีๆก็รีบกเก็บเงินไว้เงินที่จะไปซื้อร่างกายใหม่ดีๆก็คือบุญทําบุญเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะได้ร่างกายที่ดีร่างกายสวยสวยสวยกว่าเก่างามกว่าเก่าฐานะการเงินการทองดีกว่าเก่าทําไมคนเราเกิดมาถึงหน้าตาไม่เหมือนกันสวยไม่เท่ากันฉลาดไม่เท่ากันรวยไม่เท่ากันก็บุญที่เราทํำนี่มันไม่เท่ากันคนทําบุญมากก็จะฉลาด จะสวยกว่าเก่าจะดีกว่าเก่าเลยคนอแล้วคนที่ทําบาปนี่ก็จะได้แต่ห่้าหน้าตาอัปรกษณ์ผิวพรรณไม่ผ่องใสเห็นไหมมันอันนี้สงจากการทําบาปเวลาเราทําบาปหน้าตาเราดีไหมเวลาเราโกรธไกลเคร่งเครียดด่าใครนี่หน้าตาสวยไหมนนั่นแหละอันนี้สงของการทําบาปมันทําให้ร่างกายสวยหรือไม่สวยอ ถ้าทำบุญแล้วหน้าตายงิ่มแ ย, ย, ย้มแจ่มใสไหมเวลาใส่บาตรกับเวลามาทำบุญกันนี่หน้าตายิ่งแ ย, ย้มแจ่มใส น, น ะ, ะนั่นแหละงนั้นขอให้เชื่อบุญเชื่อบาตรไม่ใช่เป็นของโกหกหลอกลวงเป็นของที่มีผลกระทบ ก, กับชีวิตจิตใจของเราเป็นอย่างมากงั้นมากยิ่งกว่าของอย่างอื่นต่างๆสมบัติเข้าของเงินทองมันก็มีผลกระทบชื่อขณะที่เรามีชีวิตอยู่ บุญกับบาปนี่มันมีผลกระทบต่อการเกิดใหม่ของเราต่อการที่เราจะไปอยู่พบไหนชาติไหนเนี่ยจะอยู่ดีหรือไม่ดีนี่ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำไว้พยายามทำบุญละบาปเนี่ยพุทธเจ้าสอนแล้วถ้าเบื่อกับการที่ต้องมาเปลี่ยนมือถืออยู่เ้วยก็ไปบวชซนะไปปฏิบัติธรรมไปหยุดกิเลสไปฆ่ากิเลสชำระความโลภ ก, กดลงให้หมดไปจากใจ การกำจัดโรค ก, กดลงกำจัดความอยากได้หมดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกพระพุทธเจ้าไม่กลับมาเกิดแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิมแต่อยู่แบบสงบอยู่แบบสบายไม่ต้องดิ้นรนเหมือนพวกเราพวกเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เลยดิน้นอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพออยู่ตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้เนี่ยก็ดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยกิ่งไปเหมือนลูกฟุตบอลไหม ใจของเราเนี่ยท่านหล่มเหมือนลูกพุทอรถูกเตะไปเตะมาอยู่เรื่อยพออยู่ตรงนี้ก็ถูกเตะไปตรงนูน้นพอไปตรงนู้นก็เตะกลับมาตรงนี้อ น, <c oughs> นั่นแหละความอยากนี่แหละเป็นตัวที่เตะใจเร า, าอยู่ตรงนี้ก็อยากจะกลับไปเอลเอเดี๋ยวพอไปอยู่เออก็อยากจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยมันก็ถูกใจแล้วว่าถูกเตะไปเตะมาพอเราพอหยุดเตะมันไปมันก็บอนมันก็จะอยู่เฉยๆใจของเราพอไม่มีความอยากแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆ มันก็อยู่เฉยๆมันก็มีความสุขความสุขของใจนี้เกิดจากการที่อยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขเนี่ยนนี้พวกเราอยู่ไม่เป็นสุขกันต้องดิ้นกันอยู่ตรงนี้ก็เบื่อไปตรงนู้นก็เบื่อใช่อยู่ที่ไหนก็เบื่อเพราะความอยากยมันอยากจะเปลี่ยนที่มันก็เลยทำให้ที่เก่าเป็นที่น่าเบื่อไปแต่ถ้าไม่มีความอยากจะเปลี่ยนที่แล้วอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันไม่เบื่ออยู่นี่มาสามสิบปีแล้วไม่เห็นเบื่อตรงไหน นี่ทําิธีทุกวันเนี่ยมานั่งคุยกับญาติโยมทุกวันเนี่ยก็เหมือนเบื่อไปไหนแต่เวลาก็มานั่งมาคุยกันถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่มีความเบื่อแล้วความเบื่อมันเกิดจากความอยากอยากได้ของใหม่พออยากได้ของใหม่ของเกา่าวิเศษขนาดไหนก็ไม่ดีแล้วเนี่ยกระเป๋าที่เราซื้อมาเนี่ยเวลาเห็นอยู่ในร้านโอ้โหอยากได้เกินพอได้มาสักพักก็เบื่อแล้วนะพอเห็นใบใหม่อยู่ในร้านที่อยากจะได้ใบใหม่ละ ใบเก่าไม่มีความหมายอนะไรละนั่นแหละความอยากมันทําให้เราเบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่ได้มาท้าหล่ก็ไม่พอได้ใบใหม่มาสองสามวันก็เบื่ออีกแล้วเดี๋ยวอยากจะได้ใบใหม่กแล้วคนบางคนนี่มีกระเป๋าเป็นสิบใบเลยใช่ไหมรองเท้าเป็นร้อยคู่เนะพอาะมันมันเบื่อของเก่านะแต่ถ้าทําใจให้สงบแล้วมันจะไม่เบื่อมันจะไม่อยาก มันจะอยู่กับ ท, กทุกอย่างเหมือนใหม่หมดเลยเห็นอะไรใหม่หมดเลยใจที่สงบนี่เห็นอะไรเป็นของใหม่ไปหมดเลยเห็นอะไรเป็นของดีไปหมดเลยแต่ถ้าใจไม่สงบนี่พอเกิดความอยากแล้วของที่มีอยู่ในกายเป็นของไม่ดีไปหมดเลยของที่เราไม่มีกายเป็นของดีไปหมดเลยกิเลสมันหลอกเราเนี่ยความหลงมันหลอกเราเรารู้ไม่ทันมันเราถึงต้องมาใช้พุทโธหยุดมัน พอมันเริ่มมีอารมณ์ก็พุโทโธพุโทโธไปเลยพอพุโทโธไปเดี๋ยวอารมณ์มันก็จะหายไปแล้วจะหายเบื่อจะอยู่กับที่ได้พอไหนอยู่บ้านแล้วเบื่อลองพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเลยเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายเบื่อนะมีอะไรอยากถามยังไอ้าวถามมา าาาาามรรช่่วยูปเทีกกํลังบไม่ได้หรอกของใครของมันไงงั้นเพเราก็อาศัยกุศลต่อพระพุทธเจ้าเลไม่ต้องมาปฏิบัติให้หนื่ออไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารเนี่ยกินแทนกันไม่ได้เขาก็ต้องกินของเขาเราก็ต้องกินของเราองั้นทางที่เราช่วยได้ก็คือแนะนําให้เขาสร้างกุศลแต่เราทํากุศลให้เขาไม่ได้แบ่งกุศลให้เขาไม่ได้เขาต้องสร้างกันขึ้นมาเอง ยังนัถึงต้องสอนกันไงต้องคอยสอนกันอยู่เรื่อยว่าให้ทําบุญให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมกนันนี่คือกุศลที่จะเกิดเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทําบุญเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างเขาก็สบายเลยไม่ต้องทําอะไรให้แม่ทําให้มันไม่เหมือนเงินทองเนี่ยเงินทองยังพอหาให้กันได้ใช่ไหมแต่กุศลนี่มันหาให้ใครไม่ได้ของใครของมันท่านยังบอกอัตตาหิอั ต, อตนโนนาโถไง ตอนเป็นที่พึ่งของตนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทําให้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถลากเราไปนิพพานได้เราต้องลากตัวเราเองไปโดยการทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามานั่งอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยพาหนูไปนิพพานหน่อยอธิษฐานไปจนวันตายก็ไปไม่ถึงหรออธิษฐานให้ลูกก็ไม่ได้อธิษฐานให้ใครให้กับตัวเองก็ไม่ได้แม้กับตัวเองก็ยังต้องทำํำ ต้องปฏิบัติเอง<ม>อัตตาเหตอัตโนโนาโถเพราะว่ามันเหมือนกับเราอยู่ฟากนี้เราจะข้ามฟากไปเราก็ต้องว่ายน้ําข้ามไปเราจะให้คนอื่นว่าให้เราไม่ได้อถ้าอยากจะไปฟากนู้นเราก็ต้องว่ายน้ําไปมันก็จะไปได้ถ้ายังว่ายนะ้ําไม่เป็นก็ามาหัดว่ายกันนถ้ายังปฏิบัติทําให้เป็นก็ามาหัดปฏิบัติกัน น, นี่ที่สอนวันนี้ก็ให้เริ่มหัดปฏิบัติแล้วรู้เปล่าสติเนี่ยพุโทโธเนี่ยคือการปฏิบัติละ นั้นหัดพุทโธไปเรื่อยๆเถอดรับรองได้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียวจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากความวุ่นวายใจนี้จะกลายเป็นสงบเย็นสบายไม่โกรธใครไม่เกลียดใครแผ่เมตตาได้ตลอดเวลาลูกหลานทโมโหก็เฉยเฉยไปเพราถ้าไม่เฉยก็พุทโธไปหรือมองลูกหลานมันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศ ไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นกล้วยเราจะไปทำํำมันเป็นส้มได้ป่ ะ, ะใช่ัหมแต่เราชอบเปลี่ยนเขาใช่ไหมเขาเป็นกล้วยอยากจะให้เขาเป็นส้มใช่ไหมเขาชอบเที่ยวเราจะไปอยาดให้เขาไม่เที่ยวอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เหมือนกับเปลี่ยนก็เปลี่ยนกล้วยให้ไปเป็นส้มนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่เขาเปลี่ยนเขาเองได้แล้วสอนก็ได้บอกเขาว่าเอาไปเที่ยวไม่ดีนะมีแต่เสียเงินเสียทางไม่มีไรายได้เดี๋ยวก็จะลําบากไปทํางานดีกว่า ก็บอกได้แค่นี้ถ้าเขาคิดเป็นก็เดี๋ยวเขาก็จะเลิกเที่ยวเองเขาก็จะไปหางานทําหาเงินชก็ช่วยไม่ได้เขาอยากจะเป็นกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยต่อไปเขาอยากจะลําบากก็ต้องลำบากไปเพราะต่อไปเราจะไม่อยู่ไปช่วยเขาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจากออกไปแล้วแล้วตอนนั้นเขาจะพึ่งใครล่ะถ้าเขาไม่พึ่งตัวเขาเองไม่มีใครก็จะมาเลี้ยงดูเรานอกจากพ่อแม่เราเท่านั้นะคนอื่นเขาไม่มาเลี้ยงดูเราหรอก เราสอนได้บอกก็ได้แต่ไปบังคับก็ไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาไม่วุ่นวายไปกับเขาใช่เราเพียงแต่ทำหน้าที่ของเร า, เราหน้าที่ของเร า, เช ใ, ราใชเ่เพราะความอยากของเราอยากให้เขาเชื่ออยากให้เขาทำตามที่เราบอกแต่ เ, เราไม่มองความจริงเขาไม่เชื่อก็ไ ม, อไม่ทำตาม ไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ต้องปล่อยว่ามีอะไรอีกไหมอขอใจเดี๋ยวจะให้ผ่อนนะเดี๋ยวมาไกลเผื่ออยากจะไปไหนต่ออะอ ะ, อะอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสะครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติหระโสยถาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายโยสุขีทีกายุโกผวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังได้ด ขอให้สุกให้เจริญเดินทางแข็งแ่าปลอดภัยนะมีอะไรอยากะถามไหมไม่มีนะเข้าใจหมดแล้วปวดได้สามวันแล้วจะสุดไหมนะอาทำไมเสกไม่บวดต่อไปเรื่อยๆของดีๆไม่เอาต้องกลับไปทำธุรกิจกทีงานยกลับไปหาขยะต่อมาใหม่ออ เพนินจินดาไม่เอาพระพิพธรน์พระสง์นี่เป็นรัตตนะเป็นเพนินจินดาอนชอบไปหาขยะลาบยศสรรเสรอเนี่ยเป็นขยะืโยมเคถามว่าตอนอยู่ในห้องอาการยมมันมากัดตัวใหญ่แล้วโยมกับเป็มตายตายตายต่อไปก็ต้องไปเป็นยูให้เขาตบมั้ง <c oughs> ตัวใหญ่มากค่ะบีเขาก็จะกัดเราอยในห้องก็ไล <gardens> yeah. no so so ่เขาได้จ no like ับเขาไปปล่อยข้างนอกได้เหรออ่าเอามือจับเบาๆนะถ้าตั้งใก็บาถ้าตั้งใจก็บาปก็อย่าไปทำเลยอย่าไปทาอันเก่าถ้าเราอยู่บ้านเนี่ย ตอนนั้นคืนเนั้นเราไมพัสวดมนต์เราเราก็สวดมนต์ถึงแปดแล้วเราก็น่าสมาธินี่เราก็ลงนอนอย่างเได้บุญไหคะก็ได้นะถ้าสวดมนต์ก็ได้บุญแค่ตอนที่เราสวดแล้วอ่าอได้แต่เราไม่ทำบาระตอกลางคืนอ่ได้ชั่วโมงนึงก็ได้ใช <se ่ไหมได้วันและวโมงก็ได้ได้ยิ่งทำมากยิ่งได้มากมาทาไป อยยามสวสดมนต์ไปเรื่อยๆก็จะได้บุญอืมนีน้อง ก, ก็อยากไปถ่ายรูปอ้าวาา เ, เลยอ้าเลยมาถ่ายเลยกล้องอยู่ไหนอ่ากล้องถ่ายมาหน่อ ย, ยให้ให้ใครช่วยไปถ่ายให้หน่อยอะ <c oughs> ที่นี่รายการสารพัดสารเพฟ <c oughs> <c oughs> ังธรรมก็ได้ถามปัญหาธรรมก็ได้ถ่ายรูป ก, ก็ได้ไ <c> ด <oughs> ้ <c oughs> พอละ คำถามจาก Facebook จากคุณชีรารัตน์กลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากนักเดินแล้วเราอยู่ภาวนากลางทางต้องกลับไปเริ่มใหม่ไหมเจ้าคัะที่ภาวนาไปแล้วจะหายไปไหมเจ้าค่ะไม่หายหรอกก็มันก็สะสมไปเรื่อยๆเหมือนเดินทางเหมือนเดินทางเราเดินวันนี้ได้1 9เ้าราก็ได้19เกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เดินอีก19กก็เดินไปเรื่อยๆมันก็สะสมไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณธนัทพรขอถามหน่อยค่ะขโมยเงินพ่อแม่มาทําบุญให้ตัวเองบาปบุญยังไงคะเพราะหนึ่งไม่ใช่เงินของเราไงเราไปเอาเงินของคนอื่นก็ทําทให้คนอื่นเขาเดือดร้อนฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เงินของใครต้องขออนุญาตเขาก่อนแต่เขาให้ก็ไม่บาปเพราะเขายินดีให้แต่ถ้าถ้ า, ถาสมมุติเงินของคุณคนขโมยเงินของคุณไปคนรู้สึกยังไงถึงแม้เขาจะไปทําบุญมันก็ คนก็จะเสียใจคนก็จะโมโห О. นี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นซึ่งเป็นการทำบาปแล้วบุญที่เราไปเอาเงินไปทำบุญนี้กลับได้บุญสู้สู้บาปที่เราทำไม่ได้ได้ไม่คุ้มเสียบุญที่เราได้กับบาปที่เราได้นี้น้ำหนักต่างกันมากเห็นั้นถ้าไม่มีเงินทำบุญก็ไม่ต้องทำก็ได้ถ้าอยากจะทำบุญทำอย่างอื่นก็ได้ใช้ร่างกายเราอุทิศบรจากเลือดก็ได้ ถ้าเรามีเลือดเยอะก็เอาไปบริจาคเลือดแทนหรือถ้าเรามีเวลาก็เอาล่างกายเราไปทำงานเป็นอาสาสมัครทำงานโดยไม่คิดค่าจ้างี้เราก็ได้บุญเหมือนกันจากคุณซีเซนเชนจ์เรียนถามพระอาจารย์ค่ะแม่ได้เขี่ยไปได้เจ็ดวันแล้วเราถวายสังฆทานอาหารพระพุทธรูรปผ้าไตรให้แม่จะได้รับบุญส่วนนี้ไหมคะก็แล้วแต่ว่าแม่รอรับอยู่หรือเปล่า ถ้าแม่มีบุญเยอะแม่ก็บอกบายบๆไม่ต้องส่งมาก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าแม่ไม่มีบุญก็จะรอรับอยู่คำถามจากคุณบิลลี่ท่านอาจารย์ครับทําอย่างไรเราจะไม่อยากครับ <c oughs> ก็ฝืนความอยากไงทุกครั้งที่อยากก็ฝืนมันแล้วก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากนี่เป็นทุกข์ถ้าเราเห็นเครื่องดื่มแล้วเราดื่มแต่ถ้า เ, าเขาเขียนไว้ว่าอันตรายดื่มแล้วตายนี่คุณจะกล้าดื่มไหม เห็นคุณต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้นี้มันอันตรายมันจะ ท, ทำทาให้คุณทุกข์ทำให้คุณตายให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่อยากต้องเห็นตายลัทธเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าอยากก็ให้เห็นซากศพของเขาเห็นตอนที่เขาเป็นศพแล้วจะไม่อยากได้ใช่มเวลาสามีตายไปนี่เก็บไว้ที่บ้านนะื่ายกให้สับเหล่าได้เลยใช่ม เวลายังไม่ตายนี่การมาแตะไม่ได้ใช่หไหมเ mm hmm. <laughs> พราะยังเห็นว่าเขาไม่ตา ย, mm hmm. ยงั้นเราต้องเห็นว่าตาย mm hmm. เดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้วตายแล้วก็ไม่ไม่อยากได้แล้ว mm hmm. งั้นต้องมองสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันตายมันเสียถ้าใครเขาเห็นโทรศัพท์มือถือขายในร้านถ้าซื้อมาเราใช้ไม่ได้คุณจะซื้อป่ะ mm hmm. ใช่ไหม okay. เดี๋ยวมันก็ใช้ไม่ได้คนซื้อมาสักพักเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องใช้ไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องเสีย แต่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันต้องเสียมันต้องเป็นเป็นเป็นอันตรายกับเราเราก็จะไม่ซื้อมาไม่อยากได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นไตลักษณ์ให้เห็นทุกอย่างว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงความสุขที่เราได้จากมันไม่เที่ยงเดี๋ยววลามันเปลี่ยนไปมันหมดไปเรา ก, เราก็เราก็ทุกข์คำถามจากคุณบุรณีเวลาพุทโธ ท, ทีๆจะรู้สึกอึดอัดใจมาก จะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ไม่ต้องถีงก็ไปสบายสบายไปตามกําลังของเราพุโทโธพุโทโธไปถ้าเหนื่อยก็หยุดสักพักก็ได้พักดูแล้วดูว่าคิดหรือเปล่าถ้าไม่คิดก็ยังไม่ต้องพุโทโธแต่พอเริ่มคิดกับพุโทโธใหม่คําถามจากคุณวันนิพากราบน้มัสการเจ้าคะ่ะขอกราบเรียนถามถ้าพ่อแม่ทําบาปกำไว้ ผลบาปกรรมจะไปตกอยู่กับลูกหรือเปล่าคะไม่หรอกบาปกรรมตกอยู่ที่พ่อแม่ใจของพ่อแม่เป็นผู้ไปรับแต่เราอาจจะได้รับผลข้างเคียงหรือผลพลอยได้เช่นพ่อแม่ไปทำบาปแต่ไปไปรวยด้วยการทำบาปล้วก็อาจจะเอาเงินนี้มาให้เราอย่างนี้อันนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากการทำบาปของพ่อแม่แต่ไม่ได้เราไม่ได้รับผลบาปโดยตรงคาถามจากคุณพรกหน ก, นก กราบนมัสการถามค่ะเวลานั่งสมาธิบางครั้งจิตเห็นภาพอักุศลเช่นเช่นเห็นพระพุทธรูปและเลื่อนกลิ้นตาควรจะทําอย่างไรดีเจ้าคะเลยทําให้ไม่กล้านั่งค่ะ เ, ออเราต้องนั่งโดยที่ <c oughs> มีอะไรกํากับใจอย่านั่งเฉยเฉยอย่าไปนั่งดูภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้เรานั่งดูลมหายใจแทนดูลมหายใจเข้าออกอย่าไป อย่าไปสนใจกับภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาถือว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเราห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นภาพเหมือนดูหนังเนะ่ยไม่ต้องไปกลัวมันไม่มีไม่มีอันตรายกับเราให้เราอยู่กับพุทธโธไปก็ได้หรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วภาพต่างๆต่อไปมันก็จะหายไปเองคําถามจากคุณเฉลยกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าเรารักษาสินห้าไม่ครบเราจะตกนรกหรือเปล่าคะก็มีโอกาสเ พ, าเพราะว่าเพราะว่าการกระทําบาปนี้เป็นเหตุที่จะาพา้เราไปเกิดในอาบายแต่มันก็มีมันมีเหตุอย่างอื่นที่อาจจะดึงไว้ก่อนก็ได้สมมุติว่าถ้าเราทําบุญมากกว่าทําบาปเวลาตายไปนี้บุญจะมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงให้เราไปรับผลบุญก่อนผลบาปก็ให้เขาเรียกว่ารอรอลงอาญาไปก่อน จนกว่าบุญหมดกําลังเนี่ยแล้วผลบาปก็จะดึงเราไปรับผลบาปต่ออีกทีนึงคำถามจากคุณสุนีกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ทําอย่างไรถึงจะไม่กังวลกับความเจ็บป่วยของร่างกายค่ะอ๋อก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วต้องเจ็บไายได้ป่วยล่วงพ้นความเจ็บคไายได้ป่วยไปไม่ได้เหมือนเราอยู่กับฝนเนี่ยเราอยู่กับเราอยู่กับฟ้านี่มันก็ต้องเจอฝน เป็นเรื่องธรรมดาจะไปกังวลว่าฝนจะตกมาทำให้เราเปียกเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่กับมันไปเราก็กางร่มได้ถ้าเจอฝนเราก็มีร่มถ้าเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีธรรมะใช้ธรรมะใช้สติพุโทโธพุโทโธไปทาใจให้สงบแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายคำถามจากคุณน้าฝนขอถามพระอาจารย์ค่ะ ทำไมคนชอบมาอิจฉาหนูไม่ว่าจะทำอะไรมีคนจ้องคอยสงสัยพูดแอ บ, บกระแนกกระแนอยู่ตลอดเป็นธรรมชาติของคนเรานะเหมือนกับคนเราไม่อยากใช้คนอื่นได้ดีกับเราเห็นใครได้ดีกับเราเราก็อยากที่จะหาวิธีเบรกเราหยุดเราหรือเขาอยากจะได้ดีเหมือนเราพอเขาไม่ได้เขาก็อิจฉาเราเราก็เราก็อิจฉาเหมือนกันอ ย, อย่าว่าแต่คนอื่นเขาอิจฉาเลย ถ้าเราไปเจอคนอื่นที่เขาได้ดีกว่าเราเราก็อิจฉาเขาเหมือนกันแหละอันนี้มันเป็นกิเลส ธ, ธรรมชาติของกิเลสของทุกคนงั้นอย่าไปอย่าไปกังวลเป็นเรื่องธรรมดาห้ามกันห้ามกันไม่ได้แต่เราห้ามกิเลสเราได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใจเราสงบเราจะไม่อิจฉาใครเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครมีของดีกว่าเราเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราได้ความสุขที่ดีกว่าได้อะไรมา เห็นใครได้อะไรมามากมายเพียงไรเราจะรู้สึกไม่เดือดร้อนไม่ไม่รู้สึกอิจฉาเขาเพราะเรารู้ว่าเขาได้ของที่ดีเท่าของที่เรามีอยู่ไม่ได้เห็นเขาให้เรามาทําใจให้สงบแล้วเราจะไม่อิจฉาใครแล้วใครอิจฉาเราเราก็จะสงสารเขาแทนที่เราจะไปโกรธเขาหรือกลัวเขาเรากลับสงสารเขาว่าพวกนี้โง่เหลือเกินของดีๆมีอยู่ในตัวกับไม่หากัน ชอบไปหาของที่ไม่ดีแล้วก็มาทำให้ร้องหม่มร้องไห้มาอิจฉาริษยากันคำถามจากคุณนภพัช่วงนี้หนูนั่งสมาธิจับลมที่จมูกไม่ค่อยได้เลยค่ะเหมือนมันละเอียดและเบามากแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าหลังจากนั่งเสร็จจิตก็ยังวุ่นวายอยู่ดีไม่ได้อะไรเลยมันไม่สงบหนูต้องทำอย่างไรดีเจ้าคะสติหนูมีกาลังน้อยไปไม่สามารถเกาะติดอยู่กับลมได้ ถ้าใช้ลมไม่ได้ก็ลองใช้คําบริกรรมพุทโธไปก่อนคําถามจากคุณบางบางกราบเรียนถามเจ้าค่ะคือโยมไปวัดที่สอนกำหนดพองหนอยุบหนอถ้าเรานั่งภาวนาคําว่าพุทโธไปเรื่อยๆได้ไหมเจ้าพะจะผิดคําสอนทางวัดหรือเปล่าครับแต่เวลาถึงบ้านก็ภาวนาพุทโธ ท, ทุกวันเจ้าค่ะได้ไม่มีใครรู้หรอกเวลาเราพุทโธเ ร, รื่ยุบหนอพองหนอเป้าหมายก็คืออันเดียวกันคือให้เราสงบ เหมือนกินข้าวจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินข้าวผัดก็เป้าหมายก็คือให้มันอิ่มเหมือนกันนั้นไม่มีปัญหาเราถ้าเราไม่ไปบอกเขาไม่ต้องไปบอกเขาคำถามจากคุณปรานีเวลานั่งสมาธิพิจารณาอาการสามสิบสองอย่างนี้เขาเรียกใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นในระดับหนึ่งคือเช่นเมื่อเรานั่งแล้วดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ มัวไปกังวลกับคนนั้นคนนี้ก็ให้ดูอาการสามสิบสองของเขาไปดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วมันก็จะหายหายฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้ได้พอจิตหายฟุ้งซ่านสงบในระดับหนึ่งเราก็ค่อยพูดโทต่อดูลมหายใจต่อได้แต่มันยังไม่ถึงขั้นสมาธิเต็มร้อยคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนา ม, มในช่วงที่มีโอกาสได้ใลปีกวิเวกเร่งความเพียร น, นี้ โยมสังเกตตัวเองเห็นว่ากำลังความตั้งมั่นของจิตในการปฏิบัติพิจารณามีความสัมพันธ์กับการนอนคือถ้านอนน้อยไปหรือพยายามอดนอนกำลังจิตในการเพียนเพ่งพิจารณาจะลดถอยอย่างมากพอให้มันได้พักได้นอนเต็มที่หรือไม่อดนอนมากจนเกินไปเมื่อตื่นขึ้นมากำลังในการพิจารณาจะมีคุณภาพมากและทาได้ต่อเนื่องดีแต่โยมเคยได้ยินเทศนาครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนําให้นอนน้อยกินน้อยแล้วจะมีกําลังดีโยมเลยขอกราบเรียนสอบถามว่าที่ตัวโยมเองเมีอาการเช่นนั้นไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยแนะนําไว้เป็นเพราะอะไรและโยมควรจะปฏิบัติเช่นไรจึงจะถูกต้องไม่ประมาทค่ะคือเขาคําว่าน้อยว่ามากนี้ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเห็นที่ท่านว่าให้น้อยกินน้อยเพราะว่ากินน้อยมันจะมีปัญหาน้อยความง่วงงอนความขี้เกียจมันจะน้อย งั้นแต่นอนน้อยมันจะได้มีเวลาปฏิบัติมากทีเราก็ต้องดูกำลังของเราว่าเราน้อยของเรานี้น้อยขนาดไหนที่เหมาะกับเราอย่างที่คุณเล่าให้ฟังนี้ก็ถูกแล้วคุณก็ทำตามที่มันเหมาะสมกับคุณไปแล้วเมื่อคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปกาลังอาจจะมีมากขึ้นแล้วอาจจะกินน้อยลงได้อาจจะนอนน้อยลงได้บางทีไม่นอนเลยก็ได้ถ้าบางทีทำมันหมุนแล้วนี่ จิตมันจะอยู่กับธรรมไปตลอดมันจะไม่อยากนอนฉะนั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องของคนอื่นขอให้ดูดูสภาพของเราว่าอันไหนเหมาะสมกับเราทําแล้วเราได้ผลดีเราเอาอย่างนั้นไปก่อนก็แล้วกันคําถามจากทางไลน์ครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากถามว่าในชีวิตคราวาสทั่วไปเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าควรจะคิดอะไรดูอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าปฏิบัติกรรมฐาน อ, อ๋อขั้นตอนนี้ก็ให้ใช้บริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะความคิดของเรานี่มันไปทางธรรมไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะไปทางกิเลสเอานเราต้องหยุดความคิดก่อนพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไประหว่างเราทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าเราสามารถสั่งความคิดให้หยุดได้ เอเราสั่งมันหยุดได้แล้วต่อไปก็ให้มันหัดคิดไปในทางธรรมะคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นร่างกายของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่สวยงามมีอาการสาสบสองตายไปแล้วก็ต้องกเป็นซากศพอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ถ้ายังคิดอย่างนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดถ้าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถ้ามันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ให้มาคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปก่อน หรือ บ, บทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสในใจไปถ้าสวนในใจนี่เราสวดได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ถ้าไม่สวดก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าเราจะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้แล้วเราก็จะสั่งให้มันคิดไปในทางที่เราที่มันที่เป็นที่ควรจะคิดก็คิดไปในทางตายักคิดไปในทางอนิจจ์ทุกอย่างไม่เที่ยงสามีเราภรรยาเราลูกเราไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องจากกัน พ่อแม่เราเพื่อนเราพี่พี่น้องเราไม่เที่ยงเดี๋ยวต้องจากกันข้าวของเงินทองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องจากกันให้คิดอย่างนี้ไปถ้าคิดได้ถ้าคิดแบบนี้ไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนคําถามจากคุณโอไม่กอดกราบนมัชการพระอาจารย์ผมปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนามาได้สองปีกว่าแล้ว รู้สึกเห็นทางโลกไม่มีแก่นไม่มีสารไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือใช้ชีวิตในรูปแบบใดๆผมก็เห็นแต่ทุกข์<ม>บางครั้งจิตมีแรงกล้าจะให้ออกบวชจะรับมือกับอารมณ์ความทุกข์ที่เห็นแบบนี้ได้ยังไงครับก็ไปบวชสิถ้าถ้าคิดว่าถึงมีมีโอกาสมีพลังที่จะบวชได้ก็ไปเพราะว่าความจริงมันก็เป็นนี้โลกนี้เหมือนควันไฟความสุขในโลกนี้มันเหมือนควันไฟ มันมาแล้วเดี๋ยวก็หายไปถึงต้องจุดไฟอยู่เรื่อยๆถึงต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องไปดูไปฟังอยู่เรื่อยๆมันไม่มีแก่นสารอะไรไปหาธรรมะดีกว่าธรรมะนี้ถ้าเราได้ความสงบแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเป็นของแท้ของจริงจากคุณหยุดคิดไม่ทันมีวิธีแก้อารมณ์ยังไงภาวนาเห็นอารมณ์เสียทยอยขึ้นมาเรื่อยๆ เห็นแล้วทุกเพราะอารมณ์จะแก้ยังไงเจ้าคะ่ะเพราะเราไม่มีอะไรกํากับใจไว้เราต้องมีพุทธโธพุทธโธเวลานั่งอย่าไปนั่งดูอารมณ์ยิ่งดูอารมณ์อารมณ์ก็ยิ่งผุดขึ้นมาใหญ่อย่าไปสนใจอารมณ์เวลานั่งให้สนใจอยู่กับพุทธโธพุทธโธหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมามันก็จะไม่มาลบกวนใจเราคํถาถามจากคุณทิตรีปัจจุบันต้องทํางาน ตามหน้าที่รับผิดชอบที่ยังไม่สามารถไปวัดปฏิบัติธรรมทุกวันนี้จะพยายามกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันเท่าที่จะระลึกได้อย่างต่อเนื่องกราบขอคำแนะนำเจ้าค่ะก็พยายามหาเวลาท่านมีเวลาว่างก็หาเวลานั่งสมาธิไประหว่างทางานช่วงพักกินข้าวเสร็จแล้วอย่าไปคุยกันอย่าไปดูหนังสือพิมอย่าไปดูลน์ดูอะไร หาเวลาว่างๆมานั่งสมาธิพยายามหาเวลาที่เราพอจะหาได้ปฏิบัติไปก่อนแล้วถ้ามีถ้าจะเป็นไปได้ก็ลดการทำงานให้น้อยลงไปเพื่อเราจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นอันนี้เราต้องค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนช่องทางเดินลดทางเดินทางโลกให้น้อยลงไปแล้วเพิ่มทางเดินทางธรรมให้มากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทางธรรมได้ คำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูมีความตั้งใจจะปฏิบัติให้ได้ฌานสี่หนูควรตั้งมั่นยังไงเพื่อไม่ให้เป็มกิเลสและจะทราบได้ยังไงว่าได้แล้วโดยไม่หลงคิดไปเองต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านรับรองไหมคะไม่ต้องหรอกมันเป็นสันติโกวิธีที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิในระดับฌานสี่ก็ต้องมีสติอยู่อย่างต่อเนื่อง จะให้บริกาพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราพุโทโธอยู่ให้อยู่กาะติกับพุโทโธไปพอถึงเวลามันจะเข้ามันจะเหมือนดิ่งลงไปเหมือนจะตกหลุมตกบ่อตกเหวรูปแล้วก็นิ่งแล้วก็สงบแล้วก็มีความสุขแบบมหาสัจ์ใจมันจะรู้เองมันจะไม่ต้องไปถามใครเหมือนเวลากินข้าวเนี่ยเวลาเรากินอิ่มแล้วไม่ต้องไปถามใคร เลือกินอาหารอร่อยนะไม่ต้องไปถามเขาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมเรารู้เองว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยมันอิ่มหรือไม่อิ่มการนั่งสมาธิพอจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วมันรู้เองว่านี่แหละคือจิตรวมเป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่รวมมันก็จะรู้ว่ายังไม่รวมเพราะถ้ามันรวมแล้วมันเหมือนกับเป็นทิกหน้ามือเป็นหลังมือเลันเป็นของแปลกประหลาดมาส จ, จาที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน คำถามจากคุณหยุดคิดไม่ทันการระเบิดจิตทําเองไม่มีพี่เลี้ยงอันตรายไหมคะเกรงว่าจะวิปลาสข้าใจความหมายว่าระเบิดจิตเป็นยังไงม่นั่งแต่ทาให้จิตสงบเป็นระเบิดจิตมันทําไมระเบิดจิตก็เป็นบ้าเลยเนะี่ยคาถามจากคุณลาวันเรียนท่านอาจารย์มีสติตอยู่พยายามที่จะไม่ให้มีความปรุงแต่งจะทําไปพร้อมกับที่จะละความอยากจะถูกต้องไหมคะ ใ, ใช่เวลาเรานั่งเฉยๆความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ถ้าเรามีสติพุทโธพุทโธความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ถ้ามันโผล่เราก็ต้องใช้สติต่อไปพุทโธต่อไปล้วอย่าไปทำตามความอยากคำ ถ, ถามจากคุณ <c oughs> พิมพรกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะจริงทุกอย่างเลยค่ะเมื่อก่อนนี้หนูเห็นคนที่เขาดีกว่าเรามันมีอาการแอปิฉาอยู่เหมือนกันค่ะ แต่พอมาปัจจุบันนี้เราเข้าสู่ธรรมะมีศีลมีสมาธิปัญญามีสติอยู่กับปัจจุบันมันจริงค่ะเราไม่สนใจคนอื่นเลยเป็นคนใจเย็นและมันมีความสุขสงบอยู่กับธรรมะจริงค่ะกราบสาธุค่ะใช่ลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงพอเราไ ด, ได้ธรรมะแล้วนี่ต่อให้คนอื่นก็ได้รางวัลได้ตาแหน่งสูงกว่าเราเราก็จะไม่อิจฉาครับพอเรารู้ว่าเขาไม่มีของที่เรามีอยู่ในใจเรา หมดล้วนะเดี๋ยวพักเดี๋ยวเมือ่อกี้คำถามทางไลน์คือคําถามที่เพิ่งส่งเข้ามาเออใครติดตามทางไลน์ก็สามารถเข้ามาทางทางนี้ได้คือทางทางไลน์ทางลาาไลน์ลลลนี้เราตอบคําถามไม่ได้ช่วงเวลาไม่ไม่สดใช่ไหมเวลาสดเราตอบได้ช่วงสองถึงสี่มงถ้าท่านมีไลน์อยู่ก็สามารถส่งส่งคําถามเข้ามาทางไลน์ได้ด้วยอย่างนี้เปิดเปิดรับด้วย ที อ, อย่างที่พระบอมถามพระอาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคําถามมาตอนกลางคืนอตอนตอนดึกๆึก น, นะฮะเขาก็ก็จะถามแล้วับพระบอมก็จะเก็บไวอ้อาจาเย์อขอกรณาอยากส่งมาตามยามยามดึกเลยให้เขาพักผ่อนนยนบ้างสงสารพ้ารูปนี้ต้องมาคอยตอบรับคนตรงสามพันสี่พันคนแล้วเนี่ยว่าไม่มีเวลานอนเลย มากขึกขกขกขอ๋อหมายไปทางมีสินงบอกเหตุอะไรมามาบอกมาทว่านีก็ผลที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราไปชิมอาหาเนี่ยพอไปชิมอาหาแล้วมามันอร่อยมันก็อยากจะกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยพอเราเริ่มปฏิบัติแล้วถ้าเกิดได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เป็นแค่งูแลบลิน้นช่วงแค่งูแลบลิ้นมันก็เหมือนได้ชิมอาหานั้นเลิยละพอมันรู้แล้วว่าการปฏิบัติจะได้ผลอย่างนี้มันก็เกิดกําลังจิตกําลังใจขึ้นมา ตอนนี้รู้ว่าตอนนี้ได้เพียงแต่ชิมเพราะว่าเวลาอื่นมันก็ไม่สงบเ๋ยวเราต้องรู้ว่าเวลาอื่นเราต้องทําเวลาอื่นให้มันสงบไปทั้งวันเลยนี่คือเป้าหมายพอมันเริ่มรู้ความสงบแล้วขั้นต่อไปมันก็จะรู้ว่าจะต้องทําให้มันสงบไปทั้งวันทั้งคืนเลยอยาจะทําให้มันสงบทั้งวันทั้งคืนได้ก็ต้องมีสติควบคุมใจทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยรู้ว่ามีงานทําละถ้าอยากจะได้ความสงบทั้งวันทั้งคืนก็ต้องลาออกจากงานะ ถ้าไปทํางานก็ไม่มีทางที่จะมาทําใจให้สงบได้มันก็เลยลาออกเลยลาออกจากงานเลยเพื่อจะได้มีเวลามาควบคุมใจให้มันสงบตลอดเวลาเพราะเราเห็นผลที่เกิดจากการความสงบแล้วว่ามันวิเศษเป็นลแถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงมันไปเองพอเราได้ชิมนะได้ริมรถแห่งธรรมเพียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นะมันจะติดใจฉันทะวิริยะจิตตวิมังษามันจะมาเอง อธิบาสีมันจะมาเองฉันทะความยินดีในธรรมวิริยะความเพียรเกลียนในธรรมจิตตะความจดจ่อในธรรมวิมังสาความไข้ควรแต่เรื่องธรรมเนี่ยมันจะมาของมันมันจะไม่ไปคิดถึงทางโลกละมันจะไม่ไปคิดถึงการหาเงินทองหาความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ละมันจะคิดแต่จะหาความสุขจากธรรมะเพียงอย่างเดียว ไม่มีหรอกไม่ต้องอันนี้ไม่ิ้นนี้ไมิเนี่ยมันต้องของจริงของแท้นี่มิ้นมันเป็นของของปลอมของจริงนี่คือเนี่ยพอได้สัมผัสกับธรรมแล้วเนี่ยได้สัมผัสของจริงแล้วนี่มิ้นี่เรามันมาบอกเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงมันบอกเดี๋ยววันนี้จะพรุ่งนี้หวยออกจะถูกรัตติการวันที่หนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่ามันเพียงแต่ว่าบอกอาจจะถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้วันนี้มิ้นนี้บางทีมันก็ไม่แน่นอน ก็นั่นแหะทำไปแล้วเดี๋ยวพอได้ผลมันก็จะมันก็จะไปเร็วขึ้นตอนต้นก็ต้องพยายามทํำไ้ก่อนเหมือนเราไปทํางานให้กับบริษัทเขายังไม่จ่ายเงินเดือนก็ต้องพยายามอดทนทําไว้ก่อนเดี๋ยวพอเขาจ่ายเงินเดือนแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องอดทนรัดรู้แล้วทำแล้วได้เงินเดือนที่นี่อยากจะไปทํางานทุกวันนะแต่ช่วงแรกๆอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าก็อาจจะต้องบังคับใจว่าต้องทํำไปก่อนทําไปจนกว่าเขาจะจ่ายเงิน ถ้าจ่ายเงินแล้วทีนี้รู้แล้วว่าได้เงินเดือนแล้วเราก็จะมีกําลังใจฉะนั้นทําไปถ้ายังไม่ได้ผลก็พยายามทําไปแล้วพอมันได้สัมผัสกับผลปั๊บทีนี้มันก็จะมั่นใจแล้ะมันจะรู้แล้วว่าทําแล้วได้ผลเนี่ยมันก็จะพยายามทําให้มากขึ้นห็น้วกกทีี่อาาจบปติ นั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นหลวงตาบอกให้สู้ไม่ถอยถ้าถอยเมื่อไหร่ยกธงขาวเมื่อไหร่ก็จบก็ไปมีวันจะไปถึงแต่ถ้ายังสู้อย่างยังมีโอกาสไปถึงได้อาจจะช้าหรือจะเร็วพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบางคนเจ็ดวันก็บรรลุได้บางคนก็ต้องเจ็ดเดือนบางคนก็ต้องเจ็ดปีแต่ถ้าสู้ไม่ถอยแล้วมันต้องได้แน่ๆช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอข้าใจะะนะ มีข้าามมีครับคำถามจากคุณน้ำฝนกราบเรียนถามพระอาจารย์อีกรอบค่ะคือแฟนหนูพ่อเขามีเมียน้อยไม่ให้อะไรลูกตัวเองเลยแต่มีเมียน้อยกับดูแลสนใจครอบครัวแฟนใหม่ลูกแท้ๆทํางานให้ทุกอย่างแต่กลับไม่สนใจไม่ให้อะไรค่ะโอ้ยเราลืมไปแล้วพ่อแม่ให้ร่างกายเรามาเนี่ยสมบัติอันล้ําค่าเราได้มาแล้วจะไปเอาอะไรอีกถ้าเขาให้เลือกระหว่างมรดก100ร้อยล้านกับ ร่างกายนี้คุณจะเอาอะไรเนี่ยคลืมมองค่ามรดกอันมีค่าที่พ่อแม่คุณมาคือร่างกายคือชีวิตเนี่ยถ้าคุณไม่มีร่างกายนี้คุณจะทําอะไรได้ทุกวันที่คุณทําอยู่นี้หรือเปล่าอย่าเราลืมไปลืมคุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไปว่าท่านให้เรามาแล้วมรดกที่แท้จริงที่เลิอดที่วิเศษคือชีวิตเนี่ยไม่มีใครให้เราได้นอกจากพ่อแม่ของเราส่วนข้าวของเงินทองนี่ให้ไม่ให้ไม่ไมสําคัญเราหาเองได้ ถ้าเราไม่ขี้เกียจท่ายางถ้าเราขยันเราไม่โง้อท่ายางลับลองได้ว่าหาได้เองไม่ต้องไปรอรับจากพ่อจากแม่หรอกฉะนั้นมองผิดจุดไปให้มองว่าพ่อแม่ให้เรามาแล้วมระดกอันล้ำค่าคือร่างกายของเราชีวิตของเรานี่ถ้าเราไม่มีร่างกายไม่มีชีวิตนี้เราจะไปทำอะไรได้คําถามจากคุณเดนจามาต ถ, ถ้าโกรธแล้วเราแสดงออกคุมตัวเองไม่ทัน เมื่อคิดได้เราขออโหสิกรรมได้ไหมคะับได้แต่มันก็สอบตกเหมือนทําแก้วแตกแล้วก็ไปขออภัยถ้ามีถ้ารักษาแก้วแม่มันแตกได้มันจะดีกว่าแต่เมื่อยังต้องมันยังเมื่อยังควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าแก้วคงยังต้องแตกไปอีกหลายใบ <c oughs> แต่การขอโทษมันก็ดีอย่างมันจะทําให้เราสํานึกผิดไงยอมรับว่าเราผิดเพื่อเราจะได้พยายามไม่ไปทาําซ้ํำซากอีก บางคนทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดซะเองกลับไปโทษคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ยิ่งกลับไปทำผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่เรื่อยการไปขอโทษนี่เป็นการสํานึกผิดแต่ถ้าขอโทษแล้วยังทำผิดอยู่เหมือนเดิมก็อย่าไปขอโทษให้เสียเวลาแสดงว่าไม่สํานึกจริงถ้าสํานึกจริงแล้วต้องพยายามไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งคําถามจากคุณจิตดาภ า, ากราบนมัสการเจ้าค่ะ อยากถามว่าตอนภาวนาได้สักพักหนึ่งจิตมันจะอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่มันจะสว่างแต่เดี๋ยวก็มืดเป็นอย่างนี้สลับกันอย่างนี้อยากถามว่าจิตหนูตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างทําไมมันเป็นอย่างนี้เจ้าคะมันยังไม่สงบเต็มที่ต้องภาวนาต่อไปอ ย, อย่าเพิ่งหยุดนดูลมต่อไปแล้วพุทโธต่อไป <c oughs> จนกว่ามันจะสงบนิ่งแล้วไม่เปลี่ยนแปลงมันนิ่งเฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไป คำถามจากคุณคณิชัยาขอโอกาสเจ้าค่ะถ้าในระหว่างวันทำงานโยมพุทธโทได้เป็นขณะขณะจิตก็วิ่งไปข้างนอกโยมรู้ทันก็ดึงเอากลับมาวนไปวนมาแบบนี้ทั้งวันจะได้เรื่องไหมคะโยมต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะได้ในเบื้องต้นมันก็เหมือนจะเป็นการชักกระเยอะกันไงเขามีกำลังมากกว่าเขาก็ดึงไปเรามีกาลังมากกว่าเราก็ดึงกลับมาดีกว่าไม่ดึงเลยปล่อยให้เขาลากเราไปตลอดเวลา ขั้นต้นมันก็อย่างเงี้ยก็ล้มลุกคลุกคานไปก่อนแล้วเมื่อเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราก็จะยืนได้เดินได้วิ่งได้เองต่อไปเราก็จะดึงจิตให้นิ่งให้สงบได้ฉะนั้นตอนตอ น, ตอนต้นทำมันก็อย่างเงี้ยแพ้บ้างชนะบ้างก็อย่าไปท้อแท้เบื่อหน่ายให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของการฝึกหัดเหมือนเวลาเราหัดขับรถน่ะตอนต้นก็ขับรถใหม่ๆก็วิ่งบางทีก็กระตุกบ้างกระชากบ้างเอ่ พอเรายังไม่ชำนาญกับกับเครื่องมือของรถยนต์แต่พอเราขับไปเรื่อยๆต่อไปขับนิ่มนวลไออกได้อย่างนิ่มนวลไม่กระชากเวลาเบรกก็ไม่ที่หัวทิ่มนะ <c oughs> <c oughs> เน้นก็เหมือนกันภาษาฝรั่งก็เรียกว่า practice make perfect ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆผลมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเองคำถามจากคุณอภิชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เวลาผมนั่งสมาธิดูลมหายใจลมหายใจผมเริ่มเบาลงจนบางครั้งผมไม่รู้สึกว่ากำลังหายใจสแสดงว่าการปฏิบัติผมเป็นเช่นไรครับก็ถูกจิตเริ่มสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลมก็จะเบาลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถมองลมได้เราก็มองจิตไปเลยดูดูจิตว่าเราคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดอยู่กับให้จิตอยู่กับความว่างไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นหนึ่ง แล้วก็ยานิ่งจะสงบคาถามจากคุณยูเทนภาวนาแล้วง่วงทำอย่างไรดีครับลุกขึ้นมาเดินนะถ้าเดินยังง่วงอยู่ก็ล้างหน้าล้างตาอถ้ายังง่วงอยู่ก็ให้ไปนอนพักสักเดี๋ยวอแล้วพอพักแล้วก็ตื่นขึ้นมาเดินต่อถ้าไม่อยากจะง่วงก็ไปหัดอดอาหารซะลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงถ้าไม่ถูกกับการลดอาหารก็ให้ไป ปฏิบัติในป่าช้าก็อยู่ที่น่ากลัวถ้าอยู่ที่น่ากลัวแล้วมันจะไม่หลับมันจะไม่ง่วงคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับหากป่วยเป็นวรณโรคชนิดดื้อยาการรักษาค่อนข้างยากมีผลข้างเคียงมากและใช้เวลายาวนานตอนนี้ลูกกําลังรักษามาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าอาการแย่กว่าตอนไม่รักษาหากลูกตัดสินใจไม่รักษาจะผิดไหมครับ ทั้งนี้โรคนี้เป็นโรคติดต่อด้วยครับก็แล้วแต่เรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็หยุดรักษาก็ได้ไม่ผิดตรงไหนแต่ก็ต้องระวังอย่าไปเผยแพร่ชื่อให้กับคนอื่นเราก็ต้องพยายามอยู่อยู่คนเดียวอย่าไปอยู่ใกล้ใครเพื่อจะได้ไม่ไปเผยแพร่ชื่อให้กับคนอื่นคำถามจากคุณไกวัน จิตของพระอระหันต์เกิดกิเลสโลภโธสักโมหะเหมือนปุถุชนได้ไหมครับไม่ได้แร้วท่านทำลายมันหมดแล้วความโลภกดหลงความอยากต่างๆเพราะท่านมีปัญญาเห็นว่าการทำการมีความโลภกดหลงเหมือนมีเอามีดมากรีดตัวเองเวลาโลภนี้มันมันเหมือนเอามีดมากรีดหัวใจให้ทุกข์ขึ้นมางั้นท่านไม่ไม่กรีดแล้วท่านรู้แล้วว่าความทุกข์ของท่านเกิดจากความโลภความอยากทั้งหลายนี่เอง คำถามจากคุณกิติพัฒนเดินจงกรมดีอย่างไรนั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับได้แล้วแต่เราจะพอใจถ้าเรายังปฏิบัติไม่มากเราอยู่ในเอริยาบทใดก็ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี่เราก็ต้องเปลี่ยนเอริยาบทเพราะเราจะทนนั่งไปอย่างเดียวไม่ได้นั่งไปนานๆเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเพื่อเปี่ยผ่อนคลายเอริ อิเดียบทแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จเจริญสติต่อเวลาเดินจงกรมที่เราไม่ได้เดินแบบไปชอปปิ้งเราเดินแบบมีพุโทโธพุโทโธกำกับใจเดินมีสติอยู่กับการเดินเช่นเท้าซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขว า, า, ขวาไปอันนี้เรียกว่าเดินจงกรมเพื่อจเจริญสติแล้วพอเราเมื่อยแล้วเราก็กลับไปนั่งสมาธิต่อแต่ถ้าเราเพียงแต่นั่งสมาธิแค่ชชั่งชังชั่งชั่งชั่งชั่งชั่งชั่งชั่งชั่งชั่งช หมดแล้วนะี่การเดินการนั่งนี่สําหรับผู้ที่เขาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับพระสงฆ์เจ้าเนี่ยพระปฏิบัตินี้ท่านจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนท่านก็จะนั่งอย่างเดียวไม่ได้เดินอย่างเดียวไม่ได้ท่านก็ต้องสลับกันไปแต่จิตก็มีสติคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเดินหรือนั่งแล้วผลที่ได้ก็ต่างกันเดินจิตถ้าเดินจิตมันจะไม่นิ่งไม่รัวเหมือนกับเวลานั่ง เวลานั่งนี้จิตจะรวมนึกกว่าจะรวมลงเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าเวลาเดินนี่มันยากกว่าแต่ต้องเดินเพราะว่ามันเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินและขณะเดินก็ใช้สติกำกับใจไว้เป็นการจเจริญสติต่อเพื่อเวลามานั่งจะได้มีสติคอยทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้นี่นมันเป็นการปฏิบัติที่สนับสนุนกันผลักการทำททอ่ะก็มา คุณนพลครับแล้วพระอรหันต์ท่านแสดงอาการหลอกภายนอกได้ไหมครับว่าท่านแกล้งเสมือนว่ามีกิเลสอยู่ในขณะที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วได้บางทีท่านด่าเราเนี่ยดูท่าทางว่าท่านโกรธเราเนี่ยแต่จริงๆท่านไม่โกรธเราท่านเหมือนพ่อแม่สงสารลูกะถ้าว่าเก่าวตักเตือนดีๆมันไม่กลัวใช่ไหมก็เลยต้องแยกเขี้ยวสายมานหน่อยอะไรทํานองเนี้ย ครนะูบาอาจารย์ดุด่าว่าเก่าลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับโกรธกันเกลียดกันอย่างนี้แต่ใจท่านอยู่ข้างในไม่มีอะไรเขาเรียกว่ากิริยาการกระทาอะไรต่างๆของพระอรหันต์นี้เป็นกิริยาคือไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นกิริยาล้วนๆท่าทางเหมือนโลภแต่ก็ไม่โลภท่าทางเหมือนโกรธก็ไม่โกรธทำไปตามกิริยา อย่างครูบาอาจารย์เห็นท่านสูบบุหรีนี่ท่านไม่ได้สูบเหมือนเราสูบอ่ะท่านไม่ได้สูบด้วยความอยากจะสูบแล้วเวลาไม่มีสูบท่านก็ไม่ลงแดงไม่มีสูบท่านก็ไม่เดือดร้อนมีสูบท่านก็สูบไปมันเปรี้ยวปากเพราะร่างกายมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ร่างกายมันไม่ได้เป็นผ้าหลานใบกับใจเข้าใช่ไหมร่างกายมันก็ยังสัมผัสบุหรีมันก็ยังมีสัมผัสได้อยู่รับรู้ได้อยู่ท่านก็บางทีสมัยก่อนก่อนที่ท่านปฏิบัติท่านเคยสูบ พอมีใครถวายบุตรี่มาท่านก็สูบได้ย้อนอดีตไปเหมือนกับย้อนอดีตอย่างนั้นเองแต่ถ้าไม่มีสูบท่านก็ไม่ไปวิ่งหามันก็ไรอย่างนี้เลยไม่ไม่ได้เดือดร้อนเวลาสูบก็สูบไปแบบย้อนอดีตแบบว่าเป็นกิริยาไปค่าเวลาไปอย่างนั้นเองไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเนีย่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านในประวัติแล้วไม่ในหลงตาท่านเคยเล่าว่าหลวงปู่มั่นมันนึงก็สูบ ป, ประมาณสามสี่มวน อาหารเสร็จก็ม้วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนบ่ายดื่มน้ำชากระมวลตอนค่ำก็เทศสอนเสร็จแล้วก็นั่งสูขกระมวลนั่งอะไรเป็นการผ่อนอริยาบทของท่านไปท่านแต่ท่านไม่มีท่านก็ไม่ได้สแสวงไม่ได้ถามหาให้บุหรี่หมดหาเอามาให้หน่อยถ้าไม่เคยพูดหามีแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็เอามาให้หลวงตามหมาบวัวท่านก็เคี้ยวหมาของท่านไปเวลาที่ท่านจะไปลอนดอนท่านบอกว่า จะไปนอนนอนสอาทิตย์นี้จะงดเด็ดขาดแต่ไม่ไม่เอาหมากไปนูกศิษย์ก็เอาหมากไปที่ที่สนามบินคอยท่านเขี้ยวคำสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องเพกลัวท่านจะลงแดงแต่ท่านไม่ลงแดงหรอกเขาจไหมเนี่ยคือนี่แหละเรียกว่ากิริยาการกระทํของท่านนี่เป็นกิริยาท่นไม่ได้มีอารมณ์เหมือนพวกเราพวกเรานี่เป็นอารมณ์เวลาโลกก็โลกจริง เวลาไม่ได้ก็เสียใจโกรธจริงๆแต่ถ้าไม่มีเวลาไม่ได้ท่านก็เฉยไปมีไห ม, มอสองอคำถามจากคุณเพนจันนั่งภาวนาไม่ง่วงแต่หาวหลายครั้งจนน้ำตาไหลจะต้องทำอย่างไรต่อเจ้าครับมันก็ง่วงแล้วนะไง่วง <c oughs> ก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนก่อนให้มันหายง่วงก่อนแล้วค่กลับไปนั่งใหม่ คำถามจากคุณอภิชัยคำว่าเอกคตาจิตจิตเป็นหนึ่งเป็นอย่างไรครับและทําอย่างไรเราจะปฏิบัติให้จิตเป็นหนึ่งได้ครับคือธรรมดาจิตคำว่าเรานี้มันเป็น5้าเป็น6กก็ยังนะมันไปไปทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางความคิดเนี่ยจิตมันกระจายออกมาจากตัวรู้เวลานั่งสมาธิด้วยพุโทโธพุธโทโธนี่มันจะดึงไอ้ไอ้ตัวกระแสจิตที่มันกระจายออกไปให้กลับเข้ามารวมอยู่ที่ตัวรู้ พอมารวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าเอกขกตาลมเป็นหนึ่งหรือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้แต่ตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสไปรับรู้ความคิดนี้จะหยุดทํางานไปนเรียกว่าเอกขกตาลมถ้าอยากจะให้จิตรวมเป็นหนึ่งก็ต้องใช้สติหนึ่งเข้ามาพุโทโธพุโทโธเพราะจิตนี้ถูกความอยากดันออกไปอยากดูรูปอยากฟังเสียงมันจะดันให้เราออกไปทางตาหูจมูกนิ้นมื่ากายทําให้จิตเรากระจาย ทำให้ไม่มีกำลังไม่มีความหนักแน่นแต่เวลาจิตเรารวมนี่มันจะหนักแน่นเหมือนก้อนหินเวลาใครมาพูดอะไรสัมผัสกระทบอะไรนี่มันจะเฉยเหมือนก้อนหินแต่ถ้ามันกระจายออกไปทั้งหกทางนี่มันจะเป็นเหมือนใบไม้พอลมพัดเบาๆมันก็เปลวไปแล้วนี่คือลักษณะของจิตที่รวมกับไม่รวมจิตของที่คนที่เข้าสมาธิไม่ได้ยังรวมไม่ได้ ยังเป็นจิตที่กระจายออกมาอยู่เป็นจิตที่ไม่หนักแน่นพอกระทบลอยหน่อยไปเลยเสียใจดีใจร้องห่มร้องไห้ไปเลยแต่คนที่จิตมีรวมนี่ไม่เสียใจไม่ร้องไห้ใครจะพูดอะไรก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉยคัาถามจากคุณกิติพัศนเราจะรู้ได้ยังไงว่าบรรลุโสดาบันแล้วอะไรเป็นอินดิเคเตอร์บอกบอกครับคือเราปล่อยวางร่างกายได้ เหมือนเราเรามองร่างกายเราเหมือนเรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเราเดือดร้อนแทนเขาไหมคนอื่นเขาแก่ก็เจ็บก็าตายเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนใช่ไหมร่างกายของเราเราก็ไม่เดือดร้อนอย่างนั้นแสดงว่าเราปล่อยได้ละเราปล่อยวางร่างกายได้เรามองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นร่างกายเหมือนร่างกายของคนอื่นเวลาเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราไม่เดือดร้อนนี่คืออินดิเคเตอร์ ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ร่างกายตายก็ไม่ทุกข์หมดแล้วยังอีกสองคบเอาเลยรับคำคำถามจากคุณการนาถ้าอาจารย์เจ้าคะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนต้องอารัธนาศีลห้าทุกคืนด้วยไหมคะสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกครั้งหรือเปล่าคะคืออาราธนาศีลมันต้องอารัธนาตอนที่ตื่นไปอาราธนาตอนที่หลับทําไม พตอนหลับมันก็ไม่ได้ทําผิดศีลแล้วถ้าจะอาราธนาศีลให้อาราธนาตอนที่ตื่นขึ้นมาว่าวันนี้ทั้งวันจะจะรักษาศีลห้าอย่างเงี้ยคำว่าอาราธนาก็คือความตั้งใจตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าไม่ใช่แบอาราธนาตอนนอนนอนมันจะไปทําผิดศีลได้ยังไงงั้นถ้าจะอาราธนาศีลก็ต้องอาราธนาตอนเด่นขึ้นมาแล้ว หรือถ้าว่าเร า, ร, า ร, าราธนาหนเดียวจบคือทำรักษาศีลไปตลอดชีวิตก็ราธนาหนเดียวก็พอแต่ถ้าเราจะเอาแบบร า, ราธนาเป็นวันก็ต้องอ ร, าอราธนาเป็นวันไปถ้าวันไหนไม่ราธนาก็แสดงว่าวันนั้นจะไม่รักษาศีลคำถามจากคุณธนกตขอโอกาสครับกระผมถ้าเกิดขันธมารขึ้นควรจะระนับอย่างไรครับขันธมารหมายถึงการเจ็บปวดของทางร่างกายใช่ ก็ต MM. ้องทำใจแหละว่ามันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกเราก็ห้ามมันไม่ได้มันตกก็ต้องปล่อยมันตกไปอยู่กับมันไปร่างกายเจ็บปวดก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปก็มีเท่านั้นแต่อย่าไปทุกข์อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดอย่าไปอยากให้มันดับเพราะมันเราสั่งมันไม่ได้แล้วเราจะทุกข์ไปเปล่าๆความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองหมนแล้วนะ อ่่าีกหหนนึึงงสุดท้ยคําถามจากคุณกรุณาสีสวดมนในใจไม่ออกเสียงได้ไหมคะได้ดีใช่ถ้าไม่ออกเสียงได้ยิ่งดีเพราะจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ใจล้วนๆใจจะได้สงบได้มากขึ้นเอาละนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ ข, าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ